อาจารย์ครับก่อนอภิษฎการครับผมเจรอนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่95แล้วครับอาจารย์แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันวันพระใหญ่วันมาคาบูชาพอดีครับก็เลยวันนี้ได้ตั้งหัวข้อธรรมวันมาคาบูชาครับก่อนเขาเนื้อหาพระอาจารย์ครับวันนี้คนไปใส่บาตรเยอะเลยไหมครับอาจารย์ ก็ส<อ>ี่ร้อยเก้าสิบสองประมาณสี่ร้อยเก้าสบวันพุ่นี้น่าจะเยอะเยอะกว่านี้อีกย น, น่าจะมากกว่าเนะพราะเป็นวันพิเศษมันม า, กกนาค่ะครับก็ดีวันนี้มีญาติโยมได้ร่วมบุญเกิดใส่บาตตอนเช้าก็สี่ร้อยกว่าตอนบา่ายทําก็พันสาม็ 1,300 วคืนนี้ก็ประมาณพันกว่าวันนี้รวมกันทั้งหมดก<อ>็ผมจะได้ประมาณ สิบพันได้ไม่หมดามันกว่าพี่โพระอาจารย์คุ้มเหนื่อยเลยไหมครับอาารนี่ยเชื่อมันก็มีประโยชน์อย่างเงี้ยทำงานยิงนกตัวเดียวยิงนกลูกลูกผสนมนกเดียวได้ไ ด, ได้นกทีหลายตัวก็ส่นมันกระจายไปชาพออันี่กระจายไปไกลขึ้นเรื่อยๆอรครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับต้องอย่าีวัดมีเวียนครับผม ก็ปกติทางวัดถ้าเป็นวันสาคัญเขาก็จะมีการทําวัดค่ำตอนทุ่มเสร็จตอนหกโมงเขาก็หกโมแล้วทำวัดเสร็จแล้วก็มีการเวียนเทียนต่อแล้วก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาสลับกับการสวดมนต์ไปตลอดนู่นเลยคืนนี้ก็จะในสัจจิตกันคือไม่นอนถึงขึ้นในถึงมื้อในเช้าก็ทําวัดเช้าถึง เวลาทรรมาเช้าก็แล้วก็จะเลิกอันนี้จะทำวันสำคัญวันวิสาขาวันมาค้สองวันนี้<อ>ก็ดีอย่างน้อยนานๆก็จะได้ทำหนัท่ทีขัดเกลามันหน่อยจิตใจเราก็เหมือนเหมือนกับห้องน้ำถ้าไม่ไม่ชำระทำความสะอาดมันมันก็คาบสกปรกมันก็ติดกัน ปีหนึ่งก็มาทําสักครั้งสองครั้งไปยังดีมาขาดคาบสมปุกที่มีติดแ น, น่มากแต่ถ้าอยากให้มันดีควรจะทําทุกวันมันจะได้สะอาดทุกวันนง้นการกําจัดกิเลสการทําจิตใจให้บรสิสุทธิ์โดยส่วนนี้มันเป็นงานที่ควรจะทําอย่างต่อเนื่องถ้าอยากจะได้ผลดีได้ผลเลิศที่พระเจ้าและพระสาวาอุทไลได้ก็คือบันลุมรรคผลผนิพพาน ถ้าถ้าทำแต่เฉพาะวันพิเศษอย่างนี้มันก็ได้นิดหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยกถึงอย่างนั้นเป็นการรักษาทำดีเป็นการปฏิบัติไว้ไม่ให้หลงลืมเผื่อต่อไปเวลามีเวลาว่างได้อาจจะทำได้อย่างต่อเ น, นื่องตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องธุรกิจทาโลกอาละทาโลกที่ต้องทำหากินเงิน ก็เล ย, ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะจิตใจได้อย่างตอนเนี้เหมือนกับนักบวชนะก็ทําในวาระพิเศษไปก่อนครับวันนี้เรื่องวันมาฆบูชาเลยครับผมบก็เลยจะขอนะโอกาสพระอาจารย์ให้ปัญญาเกี่ยวกับธรรมะในวันมาฆบูชาครับพระอาจารย์ครั บ, ร ค, รบคือการณ์ในนาของวันมาฆบูชามันก็เกิดขึ้นจากตั้งแต่ นที่พพุทธเจ้าสรงตัดสรุในวันแผ่นเดือนหกวันเดือนพฤษภาอันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงตัดสรุหลังจากนั้นสองเดือนก็ส่งประกาศสอนธรรมะให้กแ ก, ก่แก่โลกสามโลกโดยมุ่งไปสอนพวกเบ้าบัวที่เป็นบัวเหนือ น, าน้าคือบรร ด, ดารบรรดาพวกนักบวชทั้งหลาย เพราะเขามีศักยาภาพพราอมที่จะนับท ร, รมคือปัญญาที่ไปกำจัดกิเลสตัณหาภายในจิตใจของเขาได้ทันทีพอความเสร็จปับก็บรรลุธรรมกันเบืกก้นบรรลุเป็นผ้ารานกันเป็นจำนวนมากไปแสดงที่สํา น, นักไหนผู้นักบวชในสํนนานักนั้นหลังจากได้ความธรรมกันก็บรรลุธรรมกันทั้งหมด ยังจะไม่มีการผลิตผ้าหลานขึ้นมาได้อย่างมากมายในช่วงระยะแรกๆทร <Okay. S 1> งเน้นไปที่พวกนั้นบวชพวกที่เป็นบัวที่อ่เหล่าที่สองที่สามบัวที่บัวปิมน้ำบัวใต้น้ำนี่ต้องรอไว้ก่อนเพราะใช้เวลามากถ้าลอาไปสอนพวกที่เป็นบัวเหนือน้ําบัวเหนือน้นํานี่พอได้รับแสงทะวัน ก็จะบานออกมาทันทีจิตใจของบววเหนือนะครับคือจิตใจของนักบวชที่มีเสียงมีสมาธิแล้วเนี่ยพอได้ยินได้ความธรรมก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยหถึงไม่แปลกในสมยัยพุทธกาลทําไมคนนึงความธรรมแต่แล้วบรรลุธรรมกันกเพราะว่าเขามีศักยภาพพวกนี้จะเป็นพวกนักบวชทั้งนั้น น้อยคนทีเป็นเขาเว่าซึ่งมีบ้างแต่ไม่ไม่มากเป็นกรณียกเว้นเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่นักบวชเหล่านั้นได้มารู้แล้วเขาก็ขอบวชในบาวงพุทธศาสนาบวชจากพระเจ้าพระเจ้าก็ส่งบวชให้โดยการเปล่งวาจาว่าจะมาไป็นภิกษุเถิดในภิกขุสัมปทาอันนี้ก็ถือว่าได้บวชเป็นพระในในในาศาสนาพุทธแล้ว แล้วพอบวเสร็จผู้ใจเราส่งให้เขาไปเผยแผ่ทันทีให้ไปกันคนละทิศคนะทางอย่าไปอย่าไปกระจุกตัวไปร่วมกันให้ไปแยกกันไปคนละทิศคนะทางเพื่อที่จะได้นำความรู้วันประเสริฐนี้ไปสั่งสอนไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้มันก็เลยทำให้เกิดในการไป ไปเผยแผ่ธรรมากกันอย่างกว้างขวางและทําให้ผู้ที่ได้ยินได้ศึกษาก็บรรลุธรรมกันตามขึม้นมาอีกนั้นในระยะเวลา6กเจดเดือนหลังจากที่ส่งประกาศก็ทํครั้งแรกคือวันเพ็ญเดือนแปดมาถึงวันมาฆะซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนสามก็นับเวลาก็7จดเดือนจากแปดมาสิบสองก็สี่ จากสิบสองมาสามอีกสามก็เป็นเจ็ดก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุที่ได้บรรลุธรรมบรรลุไปจฐานนี่พระพุทธเจา้าส่งส่งบวชให้ได้ให้ไปไขยแผลธรรมนั้นมีความคิดถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้ น, นัดหมายกันล่วงหน้าไปก่อน มีจำนวนที่นับได้ก็ประมาณหนึ่งันสองรยห้าสิบรูปด้กันนี่เป็นงานชุมนุมใหญ่ของพระในพระพุทธศาสนาคําแรกว่าคั้งเดียวที่มีพระพุทธมีพระอาหารหันตสาวกหนึ่งพันสองรยห้าสิบรูปมามาเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาเพื่อมาศึกษาหรือ ม, มาอะไรท่านมาเพื่อแสดงความสำนึกในความในควาบุญกุณของ พระพุทธเจ้าได้มาม า, มากราบมาแสดงความเคารพวันนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงธรรมโปรดพระสาวกเหล่านี้การแสดงธรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นการสั่งสอนเหมือนครั้งก่อนๆแต่เป็นการมอบหลักแนวทางคําสอนว่าควรจะสอนอย่างไรจะเผยแผ่ธรรมะนี้ ในในกรอบไหนก็ส่งแสดงโอวาทาปฏิโมกข์ที่มีว่าหัวข้อความสำคัญสามข้อความใหญ่ๆก็คือลาวเนจากการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพรว่าพระพุทธเจ้า จะมาตัดสรุในยุคไหนสมัยใดในอดีตที่ผ่านมาก็ดีหรือในอนาคตที่จะตามมาต่อไปก็ดีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะส อ, สอนแบบเดียวกันเพราะนี่คือวิธีการที่จะทําให้จิตใจของสรรว์โลกหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้หลุดพ้นจากการมาเกิดจากเจ็บตายในใตายพบหลุดออกจากสังสารวัฏ เพื่อเข้าสู่พระนิพพานผู้ใดปรารถนาจะเข้านิพพานนี้จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติทำสามข้อนี้ข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงรวมถึงอบายามุขบาปก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเณนพูดปดแล้วกอบายามุขก็ได้แก่การดื่มสาราเมาเพราป อ, อบายามุขนี้จะเป็นตัวดึงใจให้ไปสู่ไปสู่อบาย ไปสู่ประตูมุกแปลว่าทวารอบายก็คือทางเข้าอบายก็คือที่ไปเกิดของสัตว์ที่ได้ทำบาปมีอยู่สี่อบายสีไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายหรือไปนรกการเสพสุรายาเหานี้จะทำให้เวลาจิตมีความคิดที่จะกระทำบาปจะไม่มีไม่มีอะไรมายับยับ้ง วาเวลาเกิดอาการมึนเมานี้จะไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกว่ากำลังคิดไปในทางที่ถูกหรือผิดพอคิดไปในทางอะไรก็จะไปทําตามที่คิดทันทีฉะนั้วงเวานี้ถึงแม้จะเป็นละไยมุกถึงแม้ไม่ได้เป็นบาปโดยตรงก็ถูกบรรจุไว้ในสี่ห้าด้วยเพราะว่าถ้าถ้ามึนมเมาแล้วจะรักษาสีขส่ข้อสี่ข้อไม่ได้เวลาคิดอยากจะ ฆ่าใครก็จะฆ่าได้ทันทีทิจะรักทรัพย์ก็ไปทำทันทีแต่ถ้ามีสติก็จ ะ, จะมีความยับ ย, ยั้งหน่ว่าเออนี่ทำไม่ได้นะไม่ถูกมันเป็นบาปอะไรนี่คือการละเินจากการกระทํหบาปทั้งปวงคือบาปมีสีข้อใหญ่ๆแล้วก็บาปอย่างนุกอีกห้าชนดือสรายาเมาเลื่องการประทำเที่ยวเตรเหยียดคราน นะครับคบคนชอบอบายยมุกเป็นเป็นมิตรแล้วคนที่ชอบอบายยมุกเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายยมุกกับเขาถ้าเขาชอบเดี่มชูกาเขาก็จะชวนเราเดื่มชูกาชอบเล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการนันชอบเที่ยวก็จะชวนเราเที่ยวชอบเกียดค้านก็จะชวนให้เราเกลียดค้านการทําเหล่านี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเราใช้ไปใช้ไปเงนทองที่มีก็จะ หมดลงได้เมื่อหมดเมื่อไม่มีอาชีพก็จะไปหาเงินด้วยวิธีกระทำบาปเช่บบาโกงหลอกลวงนักนทรัพย์ใดทำนองนี้ก็เลยให้หนึ่งเรื่องการเสพประวั ย, าวา ย, ยเพื่จะได้ทําให้การทําบาสนี้ยากขึ้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งการกระทํา น, ทนี้เป็นการปิดประตูบ า, ายเพื่อให้จิตถ้า ย, ยังเว้ยนว่าตายเกิดอยูน่น้อยก็ไม่ทําไปไปเกิดในอบ า, าย ถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพานก็ยังน้อยน้อยไปเกิดเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีถ้าถ้าถ้ารักษาศีลไม่ทําบาปได้ก็จะถือว่าการเป็นมนุษย์ยังยังคงสภาพอยู่ยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมสมราะว่ถ้าตายไปวันนี้จิตก็อยู่ในฐานะที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ทันทีเพราะว่าไม่ได้ทําบาป ไ, ไม่ต้องไปใช้กรรมใช้บาปในอภัย แต่ก็จะไม่ได้ไปสวรรค์เพราะไม่ได้ทำบุญนี้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ไป น, นิพพานนี้ก็ต้องทําเพิ่มอีก อ, กอกสองข้อการทําบุญคือการทําความดีชนิดต่างๆบุญอาจจะเข้าใจว่าเป็นการบริจาคเงินใส่บาตรทำนุบำรุงวัด น, นี้อันนี้เป็นเพียงวิธีทําบุญหนึ่งวิธีมีหลายวิธีด้วยกันที่เราทำบุญด้วยทำบุญด้วยอ่ กายวาจาของเราการกระทำทางกายทางวาจาก็ได้สมมุติถ้าเรามันก็ไม่มีสตางคเราก็มาทําเป็นจิตอาสามาทําเป็นช่วยงานช่วยการสาธารณประโยชน์กับองค์กรต่างๆหรือกับวัดบางท่านก็มาวัดเข้ามาช่วยล้างทําความสะอาด ห, ห้องน้ำอะไรต่านี่ถ้าไม่มีเงินเขาก็ทําใช้ทางคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยการใช้กําลังกายของตนก็ได้ ถ้าไม่มีทัพย์ถ้าไม่มทรัพย์ก็อายกากจะใช้ทัพย์ก็ได้หรือถ้ามีอย่างอื่นก็ทําได้เช่นมีความรู้อย่างคุณหมอเนี่ยเขมีความรู้ทางแพทย์ใช่ไหมคุณหมอเนี่ยเขามาวิทยาทานอันนี้ก็เป็นการมาทำความดีแต่ต้องไม่เก็บเงินผู้ที่มารับฟังะนะครับไม่ได้เก็บทำฟรีไม่ไม่เก็บวิทยาทานอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญเนื่องว่าคืิดนี้ก็จะเป็นตั้งวัต คนนี้ก็เป็นพิเศษหน่ยเป็นธรรมทานเพราะเรามาสนทนาธรรมคือสิ่งที่เราให้ได้นมีอยู่สามอย่างสามสี่อย่างนี่กันคือวัตถุทานก็คื อ, ang, คอข้าวของเงินทองต่างๆแล้วก็วิทยาทานถ้าเรามีความรู้ธรรมทานถ้าเรามีธรรมะวันนี้เรามาให้ธรรมะปกติเวลาอื่นคุณเหมาก็ให้วิทยาทานไป แล้มีอีกอันหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าอยู่ในจะเรียกว่าฐานได้หรือเปล่าแต่ก็ก็มีชื่อว่าทานก็คืออภัยทาน <c oughs> ก็คือการให้อภยัยเช่นใครเข้ามาขับรถมาชนเราเรามีประกันมววาบอาไม่เป็นเดี๋ยวเราไปจัดการให้ประกันเขดูแลให้ไม่ไปเอาความกับคนที่เข้ามาชนท้ายเราให้อภยัยเขาไปนก็เรียกว่าอภัยทานจะได้ไม่มีเรื่องกันไม่มี บางที่ถ้ามามาม า, มาทะเลาะกันมามาชี้ผิดชี้ถูกกันเดี๋ยวก็อาจจะเกิดความไม่พอใจกันเป็นศัตรูกันขึ้นมาแตถ้าเราให้อภัยเขาไม่เวลาเราไม่เดือดร้อนเรามีประกันก็ว่าให้ประกานจัดการแบบอันนี้ก็มันก็เรียกว่าให้ให้ อ, ภ, อภัยอภัยอทานนี่คือการทําความดีชนิดต่างๆที่ยกตัวอย่างมานอกจากนั้นยังมี การทําความ ด, ดีใช่เวลาเราทําบุญก็อุทิศบุญให้แก่ผู้อื่นได้ผู้ผู้ลงรับไปแล้วได้ผู้องรับนี้เขาทําบุญเองไม่ได้ก็เลยต้องอุทิศทาบุญแล้วอุทิศไปให้เขาแต่เราไม่อุทิศให้คนเป็นพเพราะอะไรเพราะคนเป็นทําเองได้คนั้นจะทําได้มากกว่าจากการที่รับบุญอุทิศก็เลยก็เลยไม่มีการอุทิศบุญให้คนเป็นคนไปนมาช่วยเข้าไปทําบุญ บอกบุญให้เขาไปเช่นบุญน้อยจะทำบุญอะไรทั้งอย่างกอาจจะบอกเพื่อนผมว่าปีนี้จะไปทอดกระิ่นทอดกรปะที่นั่นที่นี่อันนี้ก็บอกบุญเข้าไปบุญมีหลายชนิดการทำความีมีหลายชนิดการทงเทศทำความธรรมนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันการทำเทศทำความธรเพื่อใ้กับสัมมาทิฏฐิการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อว่าทุกเกิดจากความอยาะ การจะดับความทุกข์ต้องละความอยากให้ได้ด้วยการจเจริญ ม, มากถึงอันนี้ก็เป็นสมาทิบางชอบอย่างนี้เรื่องของวิธีการทําความดีชนิดต่างๆที่สองรวมในหัข้อที่สองคือการสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพรคือหมายถึงเวลาใดที่ควรจะทํำบุญชนิดไหนแล้วก็ทําไปไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําให้ครบทุกชนิดนะ เราทำไปตามที่สมควรเหมาะกับเหตุการณ์ของเราแล้วก็อันนี้ก็จะทําให้จิตใจเรายกระดับจากมนุษย์ขึ้นมาเป็นเทวเพราะการจะออกจากไตรภพได้ที่ต้องขึ้นสูงขึ้นไปไเรื่อยๆจากเทวเราก็ต้องขึ้นไปสู่ระดับพรหมระดับพระอริยะการจะขึ้นสู่ระดับพระอริยะระดับพรหมได้ก็ต้อง ทำข้อที่สามคือชำระใจให้สะอาดบริสุทธิด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาการบาเพ็ญจิตตภาวนานี้คือการชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่เป็นตัวฉุด拉ให้จิตยังต้องมาติดอยู่ในกองทุกข์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดจะชำระความโลภความอยากต่างๆได้ต้องใช้การภาวนาสมถะภาวนาและมีปัสจัยภาวนา ขันตอนจะให้ใช้สมถะภาวนาะทําใจให้สงบให้เข้าฌานต่างๆให้ได้ให้ให้ใจมีสมาธิมีเบกขามีความสุขให้ได้เลิกความอยากต่างๆครับในสิ่งต่างๆได้เลิกการมาตัญหาได้เพราะถ้าเรามีความสุขที่ดีกว่าการเสกกางเราก็ไม่ต้องไปเสกกางแทนที่เราจะไปเที่ยวไปดูน้ำฟังเพลงเราไปนั่งสมาธิเข้าฌาน เขนะาจะได้ความสุขมากกว่าอันนี้ก็จะทําให้ใจเรายกระดับใจแล้วขึ้นสู่ระดับพรหมผู้ที่ก้าวฌานได้นี่ก็จะเป็นพรหมพรหมมันมีสองระดับรูประดับรูปประพรหมก็พวกที่ได้รูปประฌานหนึ่งถึงสี่ระดับผู้ที่นั่นก็ระดับอรูปประพรหมก็ผู้ที่ได้อรูปประฌานหนึ่งถึงอีกหนึ่งถึงสี่หรือห้าถึงแปดอันนี้ก็จะเป็นขั้นยกระดับ จิตให้ขั้นสู่ระดับพมหลังจากระดับพมก็จะสามารถออกจากตายภพได้ให้ไปเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆเห็นพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์อันนี้ก็ต้องเจริญการภาวนาขั้นที่สองก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสอนใจให้เห็นไตรลักษณ์ในสภาวธรรมทั้งปวงเห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่จะ ความสุขจากสภาวธรรมทั้งหลายมาเป็นการสร้างความทุกให้กับใจวิธีถ้าเห็นว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงก็จะละได้ละกรรมละความอยากในการมได้ละความอยากในฌ า, า, า, านในรูปฌานในรื่นฌานได้ก็จะออกไปจากตายภพได้เพราะตายภกนี้ประกอบด้วยสามสามภพใหญ่ๆกรมภพ รูปภพก็คือผู้ที่ได้รูปทู้ติในรูปประชานก AH ็จะไปอยู่ในรูปรูปภพผู้ผู้ได้อารูปประชานก็จะไปอยู่ในอรูปประชานในในอรูปภพแต่ถ้าอยากจะออกเข้าสู่นิพพานก็ต้องละละอารูปประชานละรูปประชานเพราะรูปประชานรูปประชานก็ยังเป็นตายรักอยูเป็นของไม่ถาวรเป็นความสงความสุขที่ไม่ถาวรความสุขสงบที่ถาวรคือพระนิพพาน อันนี้ก็เลยเป็นการชำระขั้นที่สามในชำระใช้ศาสตร์โดยสุกคำจัดความอยากทั้งสามคือกายวัตหาภวัตน า, า, ว, นาวิภวัตนาที่ทําให้ใจต้องกลับมาเกิดในไปพบกลับมาเกิดในการมาพ บ, ร, าพบารูปพบและรูปพบอันนี้ก็เป็นการสําเร็จทำํทำให้ําสําเร็จครบสุดคือขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังให้เราติดอยู่ในกายมาพบอยู่ ทำบุญก็ยังเป็นเทพเทพยังเศษกรรมอยูออกจากกรรมพบก็ต้องฝึกสมาธิเข้ารู ป, ปรชาติรู ป, ปรชาติแล้วจะออกจากรู ป, ปรชาติรู ป, ปรชาตเพื่อเข้าสู่นิพพานก็ต้องเจริญวิปัสสนาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นตายักทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตายพกไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นรู ป, ปรชาติเมื่อรู ป, ปรชาตินเป็นตายักทั้งนั้น ถ้เห็นว่าเป็นตายรักก็ไม่ไปเสกไม่ไปอยากเพราะได้มาแล้วจะต้องทุกข์เพราะว่ามันชัดเสื่อมเวลาเปนเสื่อมจะทําให้ใจทุกข์เร<ม>ื่องนี้ก็คือข้อสรุปของคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ส่งแสดงไว้ในโอวาทาปาติโมกในวันมาคาบุชานี้เป็นแนวทางให้ให้สาวกผาระนทุกโลกนำมาป ล, าล่อยเผยแผ่สั่งสอนกัน ก็จะได้สอนไปในทิศทางเดียวกันครับถ้าใครสอนนอกสามสามข้อข้อสอนนี้ก็ถือว่านอกมุมนอกทางครับสอนให้ไปสักยันสอนให้ไปเข้าโซนสอนให้ไปอ่าบน้ำมนต์ในสอนอะไรต่างๆอหล่านี้ถือว่าไม่ใช่เป็นคำสอนที่มีไว้ในโอวาทปฏิโมกครับพระอาจารย์ครับนี้หลักธรรมของวันมาคบูชาโอวาทสาวนี้ก็คือ พระพุทธเจ้าวางแผนตั้งแต่หนีนระกไปจนถึงสําเร็จพระอาหารหันต์จบในสามอย่างนี้เท่านั้นเลยนะครับใช่ในสามข้อนี้เลยครับผมเป็นเป็นสูตรตายตัวครับอาจารครับวันนี้พวกผมได้ได้ฟังแล้วจะน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติต่อไปนะครับถ้าทางแขงก่อถ้าอยากจะปิดอบายก็รักษาศีลอย่าทาบาญอย่าเสพใบอย่งถ้าอยากจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นเทพก็ทำเลย ถ้าอยากไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องเข้าฌานฝึกสมาธิถ้าอยากจะออกจากสวรรค์ชั้นพรหมไปสู่นิพพานก็ต้องจเจริญวิปสัสสนาพิจารณาปัญญาพิจารณาไตายละหเหะ็นว่าของที่มีอยู่ในใจพบเกิดกามการ ม, มาศความสุขจากการมความสุขจากรูปปัจจัความสุกจากรูปปัจจาย น, นี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชัว่วคราวเมื่อหมดก็จะทํ า, าทให้ใจถูก ถ้าไม่อยากจะทุกข ก, ก็อยากไปเสพการอยาไปเสพรูปประชามอยไปเสพการรูปประชามเมื่อไม่เสพไม่ตัดความอยากได้หมดจิตก็ได้ความว่าที่เป็นความสุขที่เทา้าหมดคุณพ่อที่ผ่านอาจารย์สรุปได้แบบฟังเรา ง, ง่ายมากครับอาจารย์ขอบคุณครับผมจะเขอาอเป็นยางไ <S <S งเราทําเลยจะมันติดอยู่ตรงไหนเราติอยู่ตรงไ ต็ดอยู่ที่ปัดพึดครับอาจารย์ติจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าครับอาารย์ทำให้ปฏิบัตเิเตอครับผมเดี๋ยวขอโอกาสพระอาจารย์ถามคำถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับแต่คุณสมพรครับบอกว่าหลักธรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ในทุกๆวันคือหลักธรรมข้อใดครับก็อสามข้อเนี่ยเนาไป <c oughs> ปฏิบัติได้เลยอย่าไปเสดระไรอย่าลุกเนี่ยอย่าไปดื่มสาร ย, ยามาย่าเล่นการพนันเลแทงหวยแทงลอตตอรี่เสีย อยากไปบังรวยความรวยแบบนี้มันเป็นทุกข์แล้วก็ทําบุญมีโอกาสทำให้ยุพาเดินผ่านบกก้านใส่บาทถ้าไม่มีพระอยากจะทําบุญกับวัดก็เอาเงินใส่กระปุกไว้ก็ได้เงินใส่บาททุกวันแเราเช่นวันพระใหญ่หญเช่นวันมาฆาวันวิสาขาหรือวันที่วันเกิดเราเราอยากจะไปทำบุญที่วัดก็เอาเงินนี่แหละที่เราใส่ในกระปุกไว้ในบ้านที่เอาไปทปําบุญได้จะได้เงินเก่าเป็นเก่า ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เวลาไปทําวัดไปตานานไปทําทีมันเสียได้นะถ้าเป็นก้อนต้องคว้ากระเป๋ามาเยอะๆแต่ถ้าเราใส่ไว้ในกระป๋าว่าเงินนี้เป็นเงินทําบุญเราแตะไม่ได้มันก็จะได้ก้อนใหญ่นสมคว ร, ครเราก็จะได้ทำบุญได้มากเลยอันนี้ก็ทำบุญได้ทุกวันภาวนาก็ทําได้ก่อนนอนตอนฉายก็สวดมนต์ไหว้พรานั่งสมาธิถึง เ, เช้าขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ก่อนที่แล้วก็พิจารณาทำเอาข้อง่ายๆก็คือพิจารณาร่างกายก่อนว่าร่างกายนี้ที่เป็นของไม่ที่เกิด แ, แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้งตายร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขเราต้องอย่าไปเพิ่งร่างกายอย่าไปหาความสุขจักรูปสีนแล้วเพราะจะทุกเวลาที่ร่างกายเจ็บแก่เจ็บตายทําไม่สามารถทําหน้าที่ของมันได้ คุณซิลิเกตครับอยากทราบพิธีปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานสูตรมีหนังสือแต่ยังใช้ไม่เป็นมีเงื่อนไขใดในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนหรือเปล่าคะขอคำชี้แนะด้วยค่ะมีเหมือนก็เป็นเหมือนกับการ <c oughs> การกา ร, การฝึกทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องทำทีละอย่างเช่นถ้าเราจะเล่นไ ต, ตกีฬานี่เราก็ต้องฝึกว่ายน้าก่อ น, นต้องว่ายน้าให้เป็นฝกขี่จักรยาให้ได้ ฝึกวิ่งให้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกไปแต่ละชนิดการสติปัญญานนี่ก็มีการฝึกอยู่สามอย่างให้ฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกปัญญากนนารแรกให้ฝึกสติก่อนให้หมันเจริญสติให้สามารถให้มีสติอยู่กับใจได้ต่อเนื่องคือไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ฝึกสติด้วยการมักทับให้ใจอยู่กับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคํามอะไรกรรพูทโธพูทโธหรือการการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกปริยามถ้าเราต้องเฝ้าดูร่างกายเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไปแสดงว่าเราไม่ได้ดูร่างกายนะเช่นเดียวกับการบระไรกรรมพูดโธถ้าเราอยู่กับพูทโธเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราไปคิดกาแสดงว่าเราเผอแล้วเราไม่ได้พูทโธแล้วมันก็ไปเรื่องนั้นทันที นี่คือเป้าหมายแรกคือการจัดะเบีสติเพื่อคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้ซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะได้ไม้ใชว่าอยู่ดีๆทําปุ๊บจะได้ปับ๊บยกเว้นคนที่ได้ฝึกมามากมายในอดีตชาติแล้วในใกล้ก่ อ, กอนนี้และส่วนใหญ่นี่ใช้เวลามากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าเป็นคาราวาสนี่ถ้าจะไม่ได้ค่อยได้ฝึกเลยการที่จะฝึกสติเพื่อให้หยุดความคิดเพราะต้องใช้ความคิดทั้งวัน เพราะต้องเกี่ยวข้องกับงานการกั บ, บุคคลต่างๆต้องใช้ภาพคิดนั้นอันนี้เป็นเป็นคำสอนที่พู้เจ้าสอนให้กับพระภิกษุนะเข้าใจไหมพระภิกษุนี้ถ้าไม่มีภารกิจเป็น า, ารวาสยากหลวงท่านมีแต่ภารกิจคือการควบคุมใจให้สมบทั้ั้ตงตั้ ง, ต, งต่ตื่นจหลัดท่านก็เลยสามารถมาเจริญสติไนดะ้ใช้คํา่าิกรรคำพูดโรพูดโถ หรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกยุทธยาบทแล้วพอมีเวลาจะนั่งสมาธิได้ก็นั่งหลับตาก็ให้มาดูลมหายใจแทนอานาปนสติเพื่อให้ใจเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้อานาปนสตินี่เป็นวิธีที่พระเจ้าสอนให้ทําสมาธิกันในอ น, นาปนสตินี้ถ้าไม่ได้สอนให้ใช้คำว่าบบการพูดถ่อกคุกรุกลง แต่บางท่านก็ใช้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ไม่ใช้อาจจะดีกว่าถ้าเราใช้แบบที่พุทธเจ้าสอนเพี้ยวแบบแต่พุทธเจ้าด้วนๆอาจจะได้ประโยชน์กว่าถ้าพุทธเจ้าบอกให้ใช้พุโทโธกับอานาลมท่านก็คงจะสอนในสติปัฏฐานนี่นะแต่ท่านสอนให้ใช้ลมอย่างเดียวให้ดูลมที่ปลายจมเข้าออกให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมลมจะสั้นจะยาวไม่ต้องไปบังคับจะหยาบจะละเอียดไม่ต้องไปบังคับ ให้รู้เฉยๆต้องการให้หยุดทําให้จิตหยุดทํางานให้หยุดเครื่อหยุดทํางานไม่ให้ไปควบคุมมองคับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อจิตจะได้นิ่งสงบเข้าฌานได้ให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆอันนี้ขั้นของสมาธิก็อาจจะฝึกเป็นปีเหมือนกันนะกว่ า, า จ, จะเข้าฌานได้ทั้งสองแต่ละคนขณะน้องตาท่านบอกว่าเรืองที่ท่านบวชหกพรรษาแราที่ท่านยังไม่ได้ออกปฏิบัติเต็มรูปแบบท่านยัง เรียนหนังสืออยู่ไปเรียนบาลีเรียนนับคำตีโทเองอยู่ตลอดท่านเข้าสมาธิได้ประมาณสามครั้งในอกปีเนี่ยแต่พอท่านออกเริ่มออกปฏิบัติแล้วได้ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเริ่มเข้าเข้าได้เกือบทุกวันพอเริ่มฝึกเข้าจริงๆแล้วก็จะเข้าได้แต่ถ้ายังไม่ฝึกแบบ แนวปฏิบัติคือทําปฏิบัติน้่นนูนนะยังทำภารกิจอย่างนี้อยู่ยังเรียนหนังสืออยู่ยังทําพิธีกรรมอยู่เพราะพระที่บวชที่ไปเรียนหนังสือสมากก็ยังมีพิธีบูรณสังส่วนมาเกี่ยวเข้าด้วยแล้วก็ติดที่บนข้อนี้บนไปฉันที่นู่นที่นี่นี่บนไปรับสัรฆทานอะไรต่างมันก็จะไม่มีเวลาที่จะเจริญสตินั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่องนสำหรับนั่งบวช แต่ไม่ได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบนี้อย่างหลงตา ม, มาโมนี้ท่านบอกท่านเคยได้เพลงสามครั้งเลยสมาธิย น, น่งสำรับพวกเราก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปหวังอะไรมากเดี๋ยวจะผิดหวังแต่รับแต่ไม่ได้มาเอาไม่ให้ทําให้ทําได้พยายามทําไปอาจจะอาศัายบา ร, รมีบุญกก่าที่อาจได้ฝึกมาแล้วก็ได้สําหรับบางคนพอมีโอกาสได้นั่งสมาธิจิตกล้าจะรวมได้ก็มี อย่างคุณแม่ชีแก้วนี่เป็นลูกศิษย์น้องปู่มัน่นตอนที่ทธานั่งสมาธิครั้งแรกเธอก็อยังเป็นเด็กชาวบ้านอายุไม่สิบกว่าขวบท่านเ้งแต่ได้ประกาศหลวงปู่มั่นไปไปโปวดไปปัดไ ป, ปไปก็ปัดคนอยู่ที่บ้านใกล้บ้านแได้ไปสายบาได้ฟังธรรนหลงปู่มั่นก็สอนให้นั่งอยากจะรู้นั่งสมาธิทำไงหลวงปู่บอกให้นั่งหลับตาแล้วก็ว่าพุทธงพุทธไปเธอก็ทําตาม พอั้งหน้าทาตามไปจิตก็รวมได้ภายในห้านาทีสินาที น, นี่แสดงว่าสติดีบอกให้พุโทโธห้านาทีก็ไม่ไปไหนแลยอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเ น, นี่คือขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งคือสติขั้นที่สองสมาธิอันนี้อย่าไปคิดว่าทําในเวลาความกำลังคิดว่าทําในเวลาเดียวกัจะรังสติปุ๊บแล้วจงคุมเพิ่มานั่งสมาธิ พอจิตเริ่มนิ่งไหนก็ออกพิจารณาปัญญาต่อเลยไม่ใช่มันคะเรื่องกันเลย ข, ขั้นจะไปขั้นปัญญาได้นี่ต้องผ่านขั้นสมาธิอย่างโชคช่ ว, ชวก่อนจิตเราต้องชํานาญการเข้าออกในสมาธิจิตสามารถอยู่ในอบเวคาได้แทบตลอดทั้งวันยกเว้นเวลาที่ชูกกิเลสลมเล้าเท่านั้นเอันนี้แ่ะถึงจะเป็นสามารถที่จะไปขั้นปัญญาไปพิจารณาสิ่งที่ มาหลงเล่าจิตใจคือกิเลสกิเลสก็จะไปให้ไปอยากอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้อันนี้ต้องมาพิจารณารา่างกายร่างกายเราไปทําให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ทําไปก็ป่วยกันทําไปก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์อยากไปก็เกิดความเครียดกิบความทุกข์ทุยอมให้มันแก่มันเจ็บมันตา ย, ยกันบ่อยมาก แจะปล่อยวางหน้าใจก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาถึงจะปล่อยได้อันนี้ขั้นปัญญาถึงจะมาตามาามาธิแล้วจริงๆนี่คือสรุปในสติปัฏฐานสุดนอกจากร่างกายแล้วได้พิจารณาเวทน า, นาคือความเจ็บปวดของร่างกายนี่แล้วก็ไปพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตนะให้ปล่อยวางให้หมดพิจารณาเขาว่าเป็นตายแล้วอย่าไปยุ่งครับให้รู้เฉย คุณมาริสาครับขอข้อธรรมสำหรับหลายคนที่อยากเก่งทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นแนวปฏิบัติตนเจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกจะเก่งทั้งสองทางต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเพราะว่ามันเป็นไปคนอาทิตศกันทางโลกก็ไปทางหนึ่งทางธรรมก็ไปทางหนึ่งทางโลกก็ไปสู่การเวียายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจั่สิ้นทางธรรมก็เป็นการออกจากการเวียนวายตายเกิดนี่มันเป็นคนละทางกัน ถ้าอยากจะเก่งทางโลกก็ไปศึกษาวิชาการทางโลกเนีย่ยไปเป็นหม อ, อเป็นคุณหมอเนี่ยหรือหมเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องการรักษาโรคประสาทอะไรต่าๆก็ต้องศึกษาทุองเทมต้องให้ทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาทาความรู้แล้วเอาความรู้ที่เรียนรู้นี้มาปฏิบัติการให้เกิดผลถ้าเกิดผลมีคนคนได้รับประโยชน์จากการกระทำก็จะมีคนมามาขอความ ช่วยเหลือให้ช่วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเลอกเอามันเปนไ ป, ไ ป, ไปทั้งสองทางไม่ได้คุณยุพดีครับเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปวันนี้ครบเจ็วันฟังธรรมของพระอาจารย์ผ่านช่อง YouTube ของผมมาระยะหนึ่งแล้วพอเจอข้อสอบจริงก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยค่ะยังต้องฝึกเยอะเลยค่ะ <c oughs> ก็ดีแบบไม่ไม่รู้เลยว่ามีข้อสอบต้องทำ อันนี้ดูนะ ว, ว่าเราเปนข้อสอบทุกคนเรานี้เกิดมานี่เป็นเหมือนนักเรียนข้อสอบคือร่างกายของเราเนี่ยคือข้อสอบที่เราจะต้องสอบเพราะาร่างกายมันมันหนึ่งมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรารู้ว่าร่างกายต้อแก่ต้อเจ็บต้องตายเนี่ยเรามีศาสนามาสอนเราบอกว่าเราสามารถอยู่เราสามารถไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไนดะ้ถ้าเรารู้จักวิธีไปฏิบ ถ้าบางคนไม่รู้จักศาสนาเลยจะไม่รู้เลยว่าวิธีปฏิบัติเพื่าปแก้ความเจ็บความตายจะทำอย่างไรก็จะทุบทุกครั้งที่เจอความแก้ความเจ็บความตายเย่างน้นอยเราได้รู้แล้วรู้ว่าต้องต้องทอําข้อสอบนี้ก็้ไปฝึกฝึกก็ง่ายนิดเดียวทําใจให้ยิ่งเมื่ปล่อยวางมันแค่นี้สองคําทําใจให้มีอุเบกขาอย่าไปวุ่นวายกับมันมันเป็นอะไรเมื่อเราทําอะไรให้กับมันไม่ได้ก็ ต, ต้องปล่อยมันไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปมันจะเจ็บก็ต้องมีหัดอยู่ของมันไปมันจะตายก็ต้องปล่อยไปแต่ถ้าเรามีความสงบเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์เลยพยายามฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ปล่อยวางร่างกาย คุณวัฒนาครับในการนั่งสมาธิบางครั้งบางวันจิตไม่รวมความคิดมีมากแต่ผมก็นั่งไปพุทโธไปแต่จะนั่งได้ไม่นานครับรวมบ้างไม่รวมบ้างก็นั่งไปผมก็ใจถูกไหมครับก็ต้องพยายามทําไปเนี่ยเหมือนกับรับประทานอาหารการรับประทานไปเรื่อยจังกว่าจะอิ่ถ้ายังไม่อิ่มกต้องรับประทานไปเรื่อยๆถ้าจิตยังไม่สงบก็เหมือนจิตยังไม่อิ่มถ้าจิตยังไม่อิ่มก็ต้องก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆ ยูลงไปพูดโทรไปเรื่อยๆเหมือนกับการรับประทานอาหารคุณพาขวัญครับกับเรียนถามว่าตอนเดินเวียนเทียนควรจะสวดอะไรดีที่สุดเจ้าค้ตนเองสวดอิติปิโสเจ้าคะ่ะก็เราก็เวียนเทียนสามรอบเพื่อแสดงความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มักจะรอบแรกเราก็ส ว, วดบทพุทธคุณรอบที่สเราก็ส ว, วดบทธรรมคุณ รอบที่สามแล้วก็ส ว, วดบทสั ง, งคุลหรือถ้าเราจะเอาแบบง่ายๆก็รอบแรกเราก็พุโทโธเดินรอบพุโทโธหนึ่งรอบรอบที่สามก็ทาโมไปรอบที่สามก็สังโฆไปหรือจะอาทั้งสามรอบรวมกันก็ไดนะ้รอบแรมมก 2, ก็พุโทโธทำโมสังโฆรอบที่สองก็พุโทโธทำโมสังโฆรอบที่สามก็พุทโธทำโมสังโฆก็ได้ท่านี้เป็นการปฏิบัติบูชานนั้การเวียนเทียนทั้ง นี่เป็นเหมือนกับการปฏิบัติบูชาเหมือนกับการเดินจบกบไม่ใช่เดินไปแล้วหนุ่มสามวมันจะคุยจีบกันไปสังเกตอยู่เวลาไปเ<ช><ๆ>มริกาอย่างนี้ไม่ได้ไปบูชาไม่ได้ไปปฏิบัติบูชาไปทําแบบเป็นเหมือนกับเป็นเป็นกิริยาไม่ีไม่ได้มีการทําอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับจิตใจเนี่ยถ้าอยากจะทํำให้มันเกิดประโยชน์ทําให้ใจสงบอันนี้ก็ ก็คุมใจด้วยสติไม่ให้ใจคิดเรื่องราวต่วางๆให้อยู่กับบทพุทธคุณ ธ, ธ, ธรรมคุณนิรรสสังคคุณ <C deaf subject> คุณพีโกรครับเราจะพิจารณาอย่างไรกับคําพูดนี้ครับ <S <S <essay> <S สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ครับก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็จะทําให้เราทุกข์กันสิเช่นร่างกายเราเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที<ม>่ยงใช่ไหมพอมันไม่เที่ยงมันจะตายมันทําให้เราทุกข์หรือเปล่า ปัจจัเราไม่อยากให้มันตายเราอยากให้มันเที่ยงปัญหาคือความทุกข์ไม่ได้เกิดที่ร่างกายความทุกข์เกิดที่ใจเราที่ไปอยากให้มันเที่ยงนั่นเองเราไม่ยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยง ม, มันก็เลยทําให้ใจเราเยอะเกิดความอยากอยากให้มันเที่ยงพอไม่เที่ยงมันก็เลยทําให้เราทุกข์นี่เราต้องใช้ปัญญามองความเป็นจริงว่า สิ่งใดที่ไม่เที่ยงก็อย่าไปมีมันอย่าไปมีต่อไปนู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันทำให้เราทุกข์ต่อไปก็อย่าไปเกิดซิอย่าไปมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายแล้วมันก็จะไม่มันก็ไม่มันก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มันไม่เที่ยงทั้งนั้นมีรถยนต์ก็ต้องทุกข์กับรถยนต์มีภรรยามีสามีก็ต้องทุกข์กับภรรยาทุกข์กับสามีภรรยา มีลูกก็ต้องทุกข์กับลกมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติเชื่อไหมครับจริงครับมีอะไรบ้างที่ม่ให้เราทุกข์กับมันที่มันทุกข์เพราะเราอยากอยากให้มันอยู่กับเราไป็นนานๆทั้งนั้นน่ะพอมันไม่เที่ยงมันจะแสดงว่ามันไม่อยู่กับเราไปนนานๆพอมันจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีในขณะที่มันยังไม่จากไปเพียงแต่คิดว่ามันมีโอกาสจะจากไปก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมา เมื่อเห็นว่าทุกอย่างไม่เท่ยก็อย่าไปมีมันอย่าไปมีมันก็จะไม่ให้มีมันก็ต้องไม่มาเกิดท่านนี้จากคุณสมพรครับประเทศใดที่มีคนนับถือพุทธศาสนามากที่สุดใช้ประเทศไทยหรือเปล่าครับอนาคตศา ส, สนาพุทธจะไปเจริญเติบโตแตกกิ่งหน่อในทวีปยุโรปและอเมริกาหรือเปล่าครับอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่ลองลองไปค้นห า, า, า, นนานในกุกูเข้าดูจะดีกว่า เพาเป็นเรื่องเรื่องนอกภายนอกมนมั น, ม, น ม, มันไม่ได้มาทําเกี่ยวกับเรื่องการม า, ากําจัดความทุกข์ที่มีในใจของคุณจินวารีครับผู้รู้ก็เป็นปัญหามากอย่างมากแต่ก็ยังสละผู้รู้ไม่ได้เพราะอะไรต้องทําอย่างไรคะเพราะผู้รู้ถูกผู้ถูกความหลงมาครอบงำมาหลอกให้ไปเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่เป็น เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราพอไปเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของของเที่ยงเป็นตัวเราของเราเราก็อยากได้พอเราไปได้มาแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับมันเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคิดนั่นเองผู้รู้อาศัยไม่ได้หรอกผู้รู้มันเป็นเราเราอยู่กับมันมันเรามากับผู้รู้ข่ายกับผู้รู้ เป็นแตแ่เราเราเราเราสละตัวเราได้ให้เหลือแต่ผู้รู้ได้แต่เราเป็นสละบผู้รู้ไม่ได้ผู้รู้เป็นธรรมชาติที่เป็นมันเป็นของมันมีอยู่ของมันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวที่ตัวเรานี่เราสละได้เราหยุดมนันได้ได้หยุดตัวเรานี่มันเกิดจากความคิดของเราเานันเองพอเราหยุดคิดเพื่อตัวเราก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวเช่นเวลาเราเข้าสมาธิเราหยุดความคิด พอหยุดวามคิดตัวตัวเราก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดีคุณมาริสาครับในปัจจุบันข้อปฏิบัติธรรมมีข้อกำหนดหลายข้อแต่ผู้บรรลุธรรมมีน้อยไม่เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะเหตุไดครับพระอาจารย์ก็เพราะ ว, ว่ามีการศึกษาปฏิบัติน้อยนั่นเองไม่ไ ม, ไม่ไม่ทัเนอย่างจริงจังในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีผู้ให้ความสนใจศึกษาและปฏิบัติเก่งมาก เพาแทนหนึ่งก็คือมีพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ที่เก่งที่เหมือนกับมหาลัยที่มีเชื่อเสียงเนี่ยเด็นแย่งกันเข้ากันแทบจะรับไม่หวไม่ไหวใช่ไหมใช่ครับแต่มหาลัยที่ไม่มีเชื่อเสียงนี่ไม่มีใครอยากจะไปเรียนกันสบายดีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระสาวกเก่ ง, กงๆคอยสอนมีก็น้อยมากแทาจะเป็นแบบว่า หายากไม่รู้รวา่อว า, าอยู่ที่ตรงไหนต้องค้นคว้าจริงๆต้องค้นควาาหาจริงๆถึงจะเจอมีบ้างแต่แต่มีน้อยคุณจิรลักษ์ครับโยมสังเกตว่าขณะทํางานบ้านมักมีความคิดด้านลบเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นคิดเรื่องเก่าโกรธคนนั้นคนนี้ลองท่องพุโทโธขณะทํางานพบว่าดีขึ้นค่ะนี้เป็นกิเลสซึ่งไม่พอใจที่ต้องการทำงานบ้านใช่ไหมเจ้าคะ พอย่างนั้นอนะ่ะพอใจไม่พอใจมันก็คิดแต่เรื่องลบใช่ไหมเวลาใจมันมีความสุขมันก็คิดแต่มันก็คิดเรื่อ ง, งดีได้แต่เวลาเมียอารมเสี ย, ยนี่มันจะมัดจะคิดไปเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายดังนั้นใช้สติพูดโธนอะดีระงับมันพอระงับ ค, ความคิดไม่ดีอารมณ์ไม่ดีก็หายไปด้วยใจก็มีความสุขแล้วก็จะกลับมาคิดดี คุณมาริสาครับจิตใจของมนุษยเราแปลเปลี่ยนได้เป็นได้ทั้งอสุรกายและเทวดานางฟ้านางสวรร่านในคนเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์ก็อยู่ที่การกระทํานะถ้าเราถ้าเราทํ า, าบุญเราก็เป็นนางฟ้าขึ้นมาถ้าเราไปทําร้ายผู้เราก็กลายเป็นอสุรกายขึ้นมาเช่นมีใครจะมาแย่งแฟนเรานี่ยเราก็ไปทําร้ายเขานี้้เราก็จะเป็นตอสุรกาย ถ้าอย่งเป็นทางฟ้าก็ยกแฟนเราให้เข้าไปาแ บ, บ่งกันก็ได้แชร์กันก็ได้แชร์อย่าอนยังแชร์ได้ทำไปแชร์แฟนแชร์ไม่ได้ <c oughs> คุณแคทครับถ้าเป็นโู้เาสตร์สอนความรู้ที่มหาวิทยาลัยและมีะไรายได้ถือว่าได้บุญด้านวิทยาทานไหมคะก็ <c oughs> ถ้าถ้าเก็บเงินคงยังไม่ได้เพราไม่เป็นทานในการค้าขายในการซื้อขายเวลานไปร้านแซลมอนเนี่ย เราไปเอาเงินให้เขาแล้วเขาก็ให้สินค้าเราใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากจะทำบุญกับแซเบินแล้วก็ต้องเงินให้แซมเบิร์นเนหรอแไม่เอาเงินเพราะไมจะามาเอาเงินมาแจกคนทํางานนี้ครับนี้ก็จะได้บุญแต่ถ้ามีของแรกเปลี่ยนมันก็จะไม่ได้เป็นการซื้อขายไปคุณวีนาครับกราบขออนุญาตเรียนถามว่าขอทานข้างถนนไม่สามารถทําบุญด้วยวัตถุทานวิทยาทาน ขอทานจึงไม่สามารถไปนิพพานได้ใช่ไหมคะไม่ใหรอกขอทานเราคนก็ไปนิพพานเนี่ยพระนี่ก็เป็นขอทา น, นไปถึงธรรมทุกคนไปขอทานทุกคนแต่ท่านไม่ได้ขี้เกียจมันขอทานนั่งเฉยๆท่านศึกษาท่านปฏิบัติธรรมท่านก็ไปนิพพา น, น ไ, ได้แล้วพวกขอทานเนี่ยไปนิพพานเยอะกับพวกที่เสด็จถี่ใช่ไหม <laughs> ต้องมอป็นขอทานกันถึงจะไปนิพพานกันได้พระพุทธเจ้าก็เคยเป็นเสษฐจถี่ ไปนิพพานไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนสถา น, นาภาพจากเศรษฐีจากพระราชามาเป็นขอทานมาอยู่แบบนักบวชก็เป็นขอทานบินทบาตใช้ภ้าบางสกุลพระเจ้าชัดสิที่พระเจ้าสอนให้ทํานี่ทำํทำทั้งหมดนะใช้ภ้าบางสกุลอยู่ต่างคนไม้อยู่แบบขอทานไม่มีบ้านเช่าอยู่ต่างคนไม้อยู่แล้วก็อาหารบินทบาตตามมี้ตามเกิด ผ้านุ่งของก็ไปเก็บผ้าบางสกุลคือผ้าที่ทิ้งในปากช้าผ้าหอศพอะพวก น, น, นี้ยาดองกัยาก็ใช้ยาดองน้ำมูดยาดองปัดน้ำปัสสวะเอาน้าเอาผลไม้มาเอสมออะไรพวกนี้มาดองกับน้ำผลไม้เวลาเกิดอาการเจ็บไข้ปวดท้องปวดที่ษาก็เดือมันได้ให้มันเดรักษาได้ในพวกขอทานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่มันพวกที่ไปไม่พายนะ พวกที่เป็นเศรษฐีไปไม่ได้ติดติดอยู่กับทรพัพย์สินสมบัติหวกทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองโรกที่เป็นใหญ่เป็นต้นนี่ก็ไปไม่ได้แต่ไปก็ต้องสละก่อนสละทรัพย์ ส, ส, สมบัติสละตําแหน่งก่อนถึงจะไปได้ต้องมาเป็นขอทานกันดังนั้าถึงจะไปไม่ผ่านได้คุณแคทครับ เพิ่มบุญของผมให้เราเป็นพรเมื่อหมดบุญก็าอาจมีสิทธไปอบายได้แบบนี้เลือกเป็นโสดาบันดีกว่าไหมคะเพราะจะไม่ไปอบายและภายในห้าชาติเราก็จะได้เป็นอริยบุคคลไม่ต้องมาเกิดอีกใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นพระโสดาบันไดก็จะไม่ไ ม, ไม่กลับไม่ไม่ไปอบายอย่างแน่นอนเป็นพรมนี้ก็ไม่ได้ไปง่ายๆหรอกว่าเป็นพร ม, มันจะติดนิสัยรักษาศีลเข้าสมาธิอยู่อยู่แล้ว โอกาสที่จะไปอบายเขาไม่ไม่ค่อยมีแต่ยังอาจจะมีอยู่ได้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดรูปแกะโทสะถ้าใครมาทําให้โกรธแค้นกดเคืองแล้ว โ, โมโหแล้วก็ทําทําให้ไปทำร้ายชีวิตผู้นั้นเลยอย่างกระทันหันอย่างนี้ก็ยังอาจจะเป็นได้แต่ทําถ้าเป็นปกติแล้วคนที่เป็นพรหมนีส่วนใหญก็จะมีนิสัยที่จะชอบเป็นนักบวชชอบรักษาศีลชอบภาวนาถึงแั้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม ก็จะมาเป็นนักบวชใหม่โอกาสที่จะไปอบายนี้ก็มีบ้างไม่ไม่ไม่หมดเหมือนกับพระสดาบ้นพระสวดาบ้นานี้ปิดได้น้อยแต่สิทธิ์เพราะมีปัญญาถ้าถ้าที่เคยเป็นพรหมมาเปิดเป็นมนุษย์ที่บางทีบาครั้งอาจจะเผลอสติได้อาจจะรู้แก่โทุกษาได้ <c oughs> ก็จะทําให้ไปทําำคำบัญได้ ยังดีที่สุดก็ให้เป็นพาริยบุคคลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปแล้วเป็นประตูบายได้ร้อเปอร์็คุณดวงพรครับฟังธรรมขณะทำงานวันเสราร์ที่โต๊ะทำงานจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะ่ะการฟังธรรมนี่ถ้าทำอย่างอางื่นด้วยมันจะไม่ได้จะไม่ได้เต็มร้อยเพราะทำงานใจเราก็ต้องแบ่งเป็นสองสองส่วนเหมือนจอเนี่ยจอที่คุณหมอมองเราเนี่ยต้องมองเราด้วยมองคุณอด้วยเใช่ไม มันก็มันก็ได้อย่างละครึ่งแต่ถ้าอยากจะมองคุณหมออย่างเดียวคุณหมอต้องเปิดภาพของคุณหมอเต็มจอคนเดียวเองแล้วก็จะเห็นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะฟังทําให้ได้เต็มร้อยก็ต้องฟังเห็าเดียวอย่าไปทำอะไรควบคู่กันไปถ้าทําะไรควคู่กันไปใจต้องแ บ, บ่งเป็นสองฟังปั๊บแล้วก็กลับมาดูงานของตนดูงานของตนเสร็จก็กลับไปฟังใหม่เนี่ย <c oughs> มันก็จะได้ไม่เต็มร้อยได้อย่างละห้าสิบห้าสิบ ฟังบางทีก็ไ ม, ม่ไม่มีรสชาติเลยฟังไม่รู้เรื่องเพราะการํายํารู้เรื่องมันต้องฟังอย่างต่อเนื่องครับ <c oughs> คุณเอกราบครับเรามีความเมตตากรุณากับคนที่เราปรารถนาดีเราก็ยังถือว่ามีกิเลสและตัณหาอยู่ใช่ไหมครับคือเคาว่ามีเมตตากรุณานี่มีกี่ครั้งมีเท่าไหร่มีตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมีแค่บางเวลาหรือบางคน นั้นพูดนี้มันพูดง่ายมันฟังแล้วมันไม่เป็นเป็นไม่ได้หรอกที่ยังยังไม่มีกิเลสตันหาเมิตากรุณานี่มันก็ยังไม่ได้ทําให้กิเลสตันหาายไปบางที่เมตตาด้วยด้วยความโลภก็มีเมตตาเขาก็อยากจะได้ระจากเขาก็มีอันนี้ก็เป็นความโลภได้กรุณาก็เหมือนกันช่วยเขาเพื่อหวังจะให้เขามาช่วยเราในหวันข้างหน้มันก็มันก็เป็นกิเลสขึ้นมา คุณสมพรครับการไม่ถึงการเสพไม่ได้หมายถึงเฉพาะเสพการที่หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์การกินการฟังการเที่ยวก็ถือเป็นการเสพการทั้งนั้นโยมเข้าใจถูกไหมครับการคือรูปเสียงกลิ่นรสการดูอะไรก็เป็นการเสพรูปมันเป็นการเสพการการการฟังเพลงนี่ก็เป็นการเสพการการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานเค็มไรนี่ก็เป็นการเสพล้นนะยัง อะไรก็ตามที่อยู่ในกลุ่มห้าอย่างนี้ถือว่าเป็นกําเป็นกลางการมีเพศสัมพันธ์มันก็มันก็เสกกลางส่วนใหญ่จะเกิดด้วยการสัมผัสทางผดผลาใช่แล้วก็ทางรูปตาก็จะได้เห็นรูปสวยๆที่ถูกใจอาจจะได้โดนกินที่ชอบมันก็มีเหมือนกันมันก็มีรูปเสียงกิจแล้วมนกัน คุณปลากับพงครับการที่สิ่งมีชีวิตเกิดจิตกับสังขารอะไรเกิดก่อนจิตอยู่โดยไม่มีสังขารได้ไหมสังขารอยู่โดยไม่มีจิตได้ไหมถ้าอนาคตมนุษย์สามารถสร้างสังขารเทียมขึ้นมาใช้แทนอวัยวะทุกๆส่วนแล้วประกอบเข้าด้วยการจิตจะไปเกาะในสังขาร น, นั้นได้ไหมครับคือเรื่องเหล่านี้ไม่มควรจะไปให้คํามสำ ค, คัญสำคัญกันอยู่เพราตอนนี้เราเกิดแล้วเรามีความทุกข์เราดับความทุกข์ของเราได้เงินจะดีกว่า อยาไปถูกกิเลสหลอให้ไปคิดอย่างเรื่องที่มันไม่ไม่มันทักช่วยให้เราดับความทุกข์ในใจของเราเรนี่ยเรามีก็สอบเราอยู่ข้างหน้านี่คือร่างกายสังทายของเราเนี่ ย, ย, ยมันจะต้องแก่เจ็บตายเราจะทํายังไงกับมันดีเมืวลานมันแก่มันเจ็บมันตายเราจะทำยังไงทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันอันนี้ควจะเป็นคำถาม ท, าที่เราควรจะถามมากกว่าดีกว่าไม่สนใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันไม่ยังมีประโยชน์เพราะเวลาเราเข้าห้องสอบก็ไม่ถามคําถามเหล่านี้แร้ว ถามว่าเราเจ็บจะทํำไงเราเจ็บท้องเวลาเจ็บฟันนี่ย้า้ทํำยังไงถ้าไม่มีหมอไม่มียาต้อไปหาหมอหมอไปหายาหมอบอทําอะไรไม่ได้มันต้องเจ็บไงไงอย่างนี้แหละย้ายทำยังไงให้มาสนใจเรื่องที่มันจะที่เราจะต้องทำเนี่ยเราต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ดีกว่าเป็นข้อสอบของเราเป็นข้อสอบวันนี้ไม่ใช่เป็นข้อคำาัความรู้เหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเสิ่งเยี่ยมไปทําให้เราไปทําข้อสอบเราได้ไปสนใจ มันได้สมัยพุทธกาลก็มีเรื่องน้าแปลกใช่ไหมว่าวิชายคนหนึ่งถูกถูกโดนยิงด้วยธนูแล้วก็มีมีแพทย์หรือใครจะมาช่วยรักษาจะดึงธนูออกให้รักษาแผลให้ถ้าควันนั้นหมอหมออย่าเพิ่งทำอยากจะรู้ก่อนว่าใครเป็นคนยิงแล้วมีชาติมีชื่อชาติสกุลอย่างไรเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางมีครอบครัวมีภรรยามีภรรยากี่คนอะไร ถ้าไปโมยไปหาข้อมูลเหลนี้เดี๋ยวก็ตายนะครับเห็นให้รีมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีกป่านะเฉพาะหน้าของเราก็คือเนี่ยเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะทําไงกับมันดีที่จะทําให้ใจเราไม่ต้องทุกข์กับมันคุณจุฑาทิพย์ครับในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ดูแลแบบพับประครับประคองญาติไม่พร้อมดูแลผู้ป่วยต้องการให้ผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ผู้ปว่วยมีอาการหอบเหนื่อยในระยะสุดท้ายแพทย์มีคำสั่งให้ฉีดยาโมเฟีนเพื่อให้ผู้ปว่วยสงบลงและไม่ทรมานจากอาการเหนือ่อยหอบแต่ยาโมเฟีนมีผลข้างเคียงคือกดการหายใจเมื่อให้ถึงระดับยาปริมาณหนึ่งผู้ปว่วยจะเสียชีวิตพยาบาลผู้ซึ่งเป็นผู้ฉีดยาให้ผู้ปว่วยเป็นบาปไหมคะก็อยู่ที่ว่ามีเจตนาที่จะทําให้เขาตายหรือเปล่าถ้ามีเจตนามันก็บาปถ้าไม่มีเจตนา คือเจต น, นาคือต้องการจะช่วยเหลือเขาช่วยช่วยลดความทรมานของเขาแต่ก็ต้องรู้ปริมาณว่าปริมาณไหนที่ทําให้เกิดทโทษเขาก็ต้องไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช้ปริมาณใช้เท่าที่จะไม่ทําให้เกิดทําให้หัวใจเขาหยุดเต็มถ้าอย่างนี้ก็ไม่บาปแต่ถ้าถึงแม้ว่าจะช่วยเขาแต่รู้ว่าถ้าใช้ปริมาณนี้มันจะต้องทําให้เขาตายหรือว่ามันก็ยังรู้ว่า หรือว่าจะทําให้เขาตายมันก็ถือว่ามีเจตนาอยู่เหมืก <Okay. S 1> ันเพราะรู้รู้ว่าทํำไปแล้วจะทำทำให้เขาตายอยันนี้ก็ก็จะบาปถ้ารู้ว่าใช้ขนาดนี้แล้วไม่ทําให้เขาตายอย่นี้ก็ไม่บาปแต่เขาเขาาจจะชอบตายด้วยอาการอื่นก็ไม่ไม่เกี่ยวอะไรเราไม่เกี่ยวอะไสิ่งที่เราทําไปคุณคนอครับมีคนลืมของไว้แล้วเรานํามาใช้แบบนี้ผิดศีลข้อสองไหมครับ ก็แน่จะผิดนะเพราะเรายังไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตจากเจ้าของเพราะว่าเขาจะให้เราไปใช้ได้หรือไม่ทำดีควรจะประกาศถามก่อนว่ามีการเป็นเจ้าของหรือของนี้ว่าที่ไหนอย่างไรถ้าต่างใดถ้าเจ้าของก็ยังไม่มาบอกเราเนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะผิดสิ่นู่นนี้ก็อย่าไปแตะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันถ้าไปเจอของอยู่ที่ไหนก็หว่านเป็นวางไว้ตรงนั้นเราอยากจะใช้ของเราก็ไปซื้อของเรามาใช้ดีกว่า คุณสนันครับเคยแนะนำญาติพี่น้องว่าเวลาใจไม่ดีก็อย่าใส่บาตรยิ่งทําไม่ค่อยศรัทธาพระรูปนั้นด้วยรอให้วันไหนใจดีๆค่อยใส่บาตรไม่รู้แนะนําผิดไหมเพราะดูเขาคนนั้นจิตใจค่อนข้างไม่ศรัทธาพระรูปนั้นจริงๆครับสาธุครับก็าพาระผีต้องเยอะแยะจะป็นต้องมีปัญหากับพระรูปนั้นรูปเดียวเข้าไปหาพระรูปอื่นก็ได้แล้วถ้าเราจะรอให้เราใจดีวันไหนเราจะใจดี ใช่ไหมก็ปีหนึ่งอาจจะมีทักษันต์ันเกิดนั่ใจดีหน่อยใส่ทาบุญใจบาตรกันวันหนึ่งก็เครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้มาก็ไม่มีโอกาสได้ทําบุญการทําบุญก็เหมือนกับการให้อาหารกับใจนี่เบุญเป็นอาหารของใจถ้าเราจะเอาเอาเร่างกายมาเปรียบเทียบถ้าว่าอยากอยากกินข้าวนะถ้าวันไหนเราไม่สบายใจอย่าไปกินข้าวแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กินอ่ะ ใ, ใช่ไหม เราสบายใจไม่สบายใจมันไม่ก็เรื่องของมันแต่เรื่องกินข้าก็ต้องกิใชนะ่ไหมถึงเวลาก็ต้องกินสบายใจไม่สบายใจก็ต้องกิดใจก็เหมือนกันใจก็หิวบุญถึงเวลาก็ต้องให้ให้ให้บุญกับใจไม่ใช่มารอให้เวลาสบายใจแล้วขามาทำบุญให้อาหารกับใจใจก็ผอมแห้งายเป็นเปรตไปหิวโซตลอดเวลาเลยไปทำให้ไปทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ เมือ่อใจมีคุณน้ำครับเห็นเวทนาเกิดดับแล้วพบภูมิยังเกิดใช่ไหมคะพรการเห็นเนี้นี่มันยังมันใหญ่ไกลยอยู่มันพภูมมันมันอยู่ที่ว่าความอยากหมดไปจากใจหรือเปล่าถ้ายังมีความอยากอยู่ในใจเราจะเห็นอะไรก็มันมันมันก็ไม่ไม่ทําให้พบภูมิหมดไป พราพรมจะมดไปก็อตอบแม้วความอยากในใจของเราหมนไปคุณแต้มสีครับคนมียานบอกว่ากรรมที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทำถือว่าเป็นกรรมเคยประสบด้วยตนเองคือฉีดน้ำส้มควันไม้ไล่จิ้งจกแล้วปรากฏว่าฉีดไปแล้วจิ้งจกวิ่งมาโดนหลายเดือนต่อมาแสบตาพร่าขึ้นมาทันควันหาสาเหตุไม่ได้แล้วสองสามวันก็หายเลยกลัวกรรมค่ะเพราะเคยไปเดินเหยียบหอยทากแบนตายไปสองสาครั้ง เรเดินในที่มืดกลางคืนไม่มีไฟฉายไม่ควรเอาเหตุการณ์นี้มาคิดคำนึงถึงมันอีกใช่ไหมคะคพือการกระทําที่จะถือว่าเป็นบาปเนี่ยมันต้องอยู่มีเจตนาแล้วมีการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งนั้นสิ่งบุคคลนั้นก็ปุกบถึงจะถือว่าเป็นบาปแตถ้าทํำเราที่ไม่มีเจตนาเช่นเราเดินในที่มืดแล้วไปเหยียบของไอ้ท่าย่างที่ว่านี่อันนี้ไม่บาปถือว่าเป็นุบัติเหตุ คุณมาริสาครับคนในยุคปัจจุบันเชื่อฟังพระที่ทําเดรัจฉานวิชามากกว่าศรัทธานในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเจ้าคะเพราะเขยังอยากได้ราบยศสรรเสริญ น, นั่นเองอยากได้ความสุขทางสางรูปเสียงกลิ่นตัวี่ก็ไปหาภาพเหล่านี้เพราะหวังว่าจะทําให้เขาร่ํำรวยขึ้นมาทํามาค้าขายขายดีขายดีเจ้จกากาเรียนในด้นยศสรรเสริญ น, นี่เอขาก็เลยเขาก็เลยไปหาเพราะถ้าไปหาภาพระยะท่านก็สอนให้เรา ยุติอย่ากไปหาราชโนชลเสนให้มาหาความสงบซึ่งก็ไม่มีใครอยากไปร่ากัน <c oughs> คุณอมรศักดิ์ครับการเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าตัดสลุสติประธานสี่หรืออริยสัจสี่พอได้ข้อมูลมาต่างกันระหว่างตอนเรียนหนังสือและตอนปฏิบัติธรรมครับท่านตัสนดสลุอริยสัจสี่แล้วการที่จะปฏิบัติให้ถึงอริยสัจสี่ก็ต้อปฏิบัติด้วยสติประธานสี่ จากคุณสมพรครับทําไมคนแต่ละคนมีปัญญาไม่เสมอเท่าเทียมกันต้องทําอย่างไรให้มีปัญญาดีขึ้นปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมคนละปัญญากันเข้าใจถูกต้องไหมครับแต่วิธีที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันก็ต้องหมั่นศึกษาหมั่นนั่งเรียนเหมือนไฟหาความรู้อยู่เรื่อยๆแล้วเรียนแล้วก็ต้องมาจดมาจำด้วยถ้าเรียนแล้วยืดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เดี๋ยวเราก็ต้องเอามาจดมาจำแล้วก็ามาใช้มันถึงจะมันถึงจะมันถึงยจะอยู่กับใจถ้าเรียนมาแล้วแม่เอามาใช้เดียวมันก็เหลือไปมันไม่สนิมขึ้นได้ถ้าปล่อยไว้เฉยๆต้วเอามาใช้อยู่เรื่อยๆมันจะได้รับมีทให้คมได้เนียเรนั้นการฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษานี่แหละเป็นการทําให้เกิดปัญญาไม่ว่าจะทําเป็นทางโลกหรือทํางธรร ถ้าทางทางกาศึกษาเรื่องธรรมะอย่างวันนี้เรามาายรูกใยศึกษาเรื่องธรรมธรรมกัน อ, อยากจะไปทางโูปก็ไปศึกษาวิชาทางโลกคุณแจ็คครับผมฝึกสมาธิแล้วพอมานอนเหมือนจะนอนไม่หลับครับเหมือนสติมันมีอยู่ครับพระอาจารย์ก็เป็นไปได้บางครั้งบางคาวมันก็นั่งสมาธิแล้วสติมันมีกำลังมากมันก็จะทำให้ยังไม่หลับมันเตื่น ก็ก็พยายามนอนแล้วก็ดูหลงไปดูหลงไปถ้าอยู่ในท่านอนสติเนี่ยมันก็จะค่อยๆอ่อนไปแต่เวลานอนมันอาจจะใหม่ๆอาจจะนอนไม่หลับก็อย่าไปอยากให้มันหลับเพราะยิ่งทําให้ถ้าเกิดความอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่ไอ้ตัวที่ทําให้ไม่หลับนี่ก็คือตัวความอยากไม่ใช่ตัวสติถ้าเราไม่มีความอยากเราก็อยากให้มันหลับล้วก็นอนไปแล้วก็ดูดูหลงไป เดี๋ยวพอมันเพิ่มเติมเดี๋ยวมันสบายมันก็คพิ่มเติมเดี๋ยวสติมันต้องหมดไปมันก็หลับเองได้แต่ถ้ามันอยากให้มันหลับมันจะคอยกระตุ้นอยู่เลยเอ๊ะทำไมไม่หลับสติทำไมยังไม่หลับยิ่งปรุงแต่งขึ้นมาใหอ่ยิ่งปรุงแต่ยิ่งเครียดพอจิตเครียดมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเรานอนแล้วเราก็ใช้สตินี่ดูลงไปไม่พูดโทไปก็ได้แต่อย่าไปอย่าไปคาดอย่าไปว่าให้ต้องหลับเร็วๆนะ ทำไปจะหลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรขอให้เรามีสติอยู่กับพุโทโธอยู่งลงไปเดี๋ยวขอร่างกายมันสบายมันคลี่คายมันสบายเดี๋ยวสติก็จะค่อยๆหมดไปมันก็จะเคลิ้มหลับไปได้คุณดอกหญ้าครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอยากละนิวรทําอย่างไรคะ ก, ก็อยู่ในนิวรตัวไหนล่ะการมาฉันทะก็มีวรด้วยการชอบเสพรูปสียงกินวัต กขาต้องมาถือสินแปดห้ามอย่าดูหนังอย่าฟังเพลงอยากกินอยา่าเดือดอกเวลาอะไรทั้งนองนี้อันนี้ก็เป็นการลนะนิวรคือการมาฉันทะความอยากจะเสพรูปสิ่งกินต้นถ้าอยากจะเสพกาบอยากมีเพศเพศสัมพันธ์ก็ถือสินแปดไปลนะถือสินข้อสิษารรมรามมจริยาไปแล้วก็มันเป็นเจนาอสุภะ ดูร่างกายดูความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะทําให้ลาล่ามีวอนได้คือการมาฉันทะตอนที่เขาเอาตัวตัวไล่ต่อเข้ากันอีกหลายตัวยังไม่สกัดได้ออกตัวนี้น้าตัวนี้ได้แล้วเราจะทําให้จ่เราก้าวหน้าได้เยอะทีเดียวคุณพันนลครับ ถ้าเรายังต้องใช้ชีวิตเป็นคารวาสอยู่พอจะมีโอกาสได้เข้าถึงพระโสดาบันบ้างหรือเปล่าเจ้าคะมันก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติศินสมาธิปัญญาได้หรือไม่ถ้าเราปฏิบัติสินสมาธิปัญญาได้มันก็มันก็เข้าได้มันก็เป็นพระโสดาบันได้ถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ไม่ไม่ติดกับร่างกายหมายให้ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติอย่างมันมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตาย คุณฝ้ายครับเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาถูกทางแล้วหรือไม่ครับก็ใจเราจะสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นโดที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีมียอดมีตําแหน่งอะไรแต่เรามีความสุขเกิดจากการปฏิบัติคุณตะวันครับ การสวดมนต์หรือสวดคาถาต่างๆที่มีเพื่อความสบายใจเดินไปสวดไปทำงานไปก็สวดไปแบบนี้ได้บุญหรือเปล่าคะถ่าใจสงบ ก, ก็เป็นบุญแน่เลยความสงบ ก, ก็คือความสุดใจอีกมใจก็เรียกว่าบุญคุณโทมีครับหนูนั่งสมาธิติดความว่างมานานหลายปีว่างสบายเย็นออกมาก็เป็นอุเบกขาดีค่ะ แก้ไขไม่ออกค่ะขอเมตตาพระอาจารย์สอนชี้แนะได้ไหมครับหมอไม่ต้องแก้หรอกเราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนใครยันดาเราก็สบายใครจะทำอะไรเราเราก็สบายไม่เครียดกับการงานไม่เครียดกับความสุขภาพของร่างกายไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคนั้นเป็นโรงนี้ก็สบายต้องการให้มันสบายในทุกกรณี คุณพันธิวาครับสอบถามว่าการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นควรเริ่มสิ่งใดก่อนระหว่างสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหรืออ่านหนังสือธรรมะและการนั่งสมาธิควรนั่งให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมครับใช่การนั่นก็ควรจะนั่งให้มากจะนั้นในมากได้านานก็คือการมีสติมากหรือน้อยการจะมีสติก็มีหลายวิธีการสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันที่จะทําให้เราเกิดสติขึ้นมาได้ อานหนังสือธรรมะก็ทําให้เรามีสติได้เหมือนกันถ้ามีปัญญาด้วยนี้ถ้าถ้ามันนั่งสมาธิอะไรที่ไม่มีสติมันจะนั่งแล้วไม่ได้ผลหัวใจมันจะฟุ้งมันจะคิดเรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้เราต้องควบคุมความคิดไม่ให้ใจฟุ้งให้ได้ก่อนแล้วถึงจะมานั่งสมาธิด้วยการสวดมนต์ไปด้วยการหนังสือธรรมะไปด้วยการเตริญสติบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ คุณสมคิดครับสมาธิสามารถเกิดขึ้นเองได้ไหมเจ้าคะเคยนั่งรถยนตส่วนตัวระหว่างไปทํางานแล้วเกิดสภาวะปิติสุขคือความรู้สึกมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเจ้าค่ะก็เป็นไาได้บางกรณีซึ่งอาจจะมีปีได้แต่เป็นเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่จะแล้วจะสั่ให้มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราสั่งมันไม่ได้การปฏิบัติสมที่นี้เพื่อให้เราเกิดความชํานาญนเราสั่งให้มันเกิดได้ ถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเองร้อยปีพันปีมานานจะมาเกิดให้กับเราสักครั้งหนึ่งก็ได้เซึ่งไม่พอเพียงคุณม้อยครับลูกเป็นอสอมอเวลาไปช่วยผู้สูงอายุในหมู่บ้านตายายจะให้กล้วยมะม่วงขนมกลับมากินเพื่อแสดงน้ำใจตอบแทนเคยปฏิเสธไม่รับก็ได้ยินรับหลังว่าจองหองตอนนี้ก็รับแบบนี้ก็ไม่ได้บุญจากการช่วยเหลือผู้่อื่นหรือคะและจะปฏิเสธไม่รับของได้อย่างไรครับ พ อ, อได้การการที่เราไปทำอะไรเราไม่เรียกร้องนีแสดงว่าเราให้ฟรีๆแต่ถ้าก็อยากจะให้ของเรากลับมาก็เป็นเรื่องของการการให้ของเขาไม่เกี่ยวกับเราเขาก็อยากจะทำบุญเราไปทำกับเขาเขาก็อยากจะทำบุญการที่เราไม่รับของของเขาเนี่ยถ้ามาทำเราไปปิดกัน้นไม่เขาได้ทำบุญนี่ยถ้าเกิดเราไปช่วยเขาแล้วเขาไม่ยอมให้เราไปช่วยเราก็จะไม่ได้ทา ใหานำไปช่วยผู้โศวอายุผู้โศวอายุอย่ามาอย่ามาช่วยไม่ต้องการให้ช่วยอย่างเช่น อ, อย่างที่คุณปฏิเสธไปอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้บุญงนั้นเวลาคุณไปช่วยใครแล้วคุณไม่เรียกร้องค่าตอบแทนนสดงคุณได้บุญอยู่แล้วส่วนผู้ที่ก็จะได้รับการช่วยเหลือก็จะตอบแทนเราด้วยอะไรก็ตามอันนี้เป็นเรื่องการทำาบุญของเขาแล้วถ้าเราไม่รับนิ่แสดงว่าเราไปปิดกั้นการทำาบุญ เราควรจะรับถึงแม้ว่าเราจะไม่ยินดีกับของที่เขาให้มาเนื่องเราไม่จะใช้มันเรก็รับไว้ก่อนแล้วเราก็ไปให้คนอื่นต่อไปก็ได้มับให้กับคนที่เขาอยากจะได้เขามีเยอะยๆไปเราก็จะได้ทําบุญอีกทอดนึ่งได้ด้วยคุณนาวาครับผู้ที่มักเกรงใจผู้อื่นจนเบียดเบียนตัวเองถือเป็นความเมตตาเสียสระหรือเป็นกิเลสความกลัวกันแน่คะ ไม่ทราบหมายความว่าอย่งเป็นใจพเพื่อนมาเบดเบียนตัวเองไม่รจะตอบยังไงดีครับผมยังคำถามมาใหม่ดีว่ะอธิบายมันกว้างหน่อยะคุณเกศสารภาครับกาเบยนถามครับใกล้ถึงเวลาตายต้องทำใจอย่างไรดีคะก็ะเหมือนเวลาที่ไม่ตายตอนนี้เราเป็นยังไงก็ทำอย่างนั้นตอนนี้เราแฮ ppy กันโดดโลเต้นในเวลาตาแล้วก็แฮปปี้กัะดดโนเต้นไปคุณน้องหลินคะา้าจารย์คะหนูผ่าตัดตั้งแต่เท้าถึงสมองตอนหนูผ่าสมองเหมือนแบกกระเป๋าเตรียมเข้าสู่บททดสอบเปิดกระโหลกไปสี่รอบในช่วงผ่าสมองหาวิธีด้วยการทำสมาธิต้องพุทโธพุทโธเลยไม่ค่อยขอยาแก้ปวดเยอะใช้ประครบเย็นแต่หนูยังกาจัดกิเลสไม่ได้ ปัจจุบันฟังธรรมและมีอุปกรณ์ในสมองร่างกายแข็งแรงเจ้าข่ะหลังลดความอยากและจับกิเลส ต, ตัวเองเข้ากลงสำหรับหนูคิดว่ามียาวิตามินรักษาร่างกายส่วนทางใจฟังธรรมยาวิตามินใจเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องใจต้องการธรรมะองศมาทาใจให้สงบทำให้ใจไม่เครียดไม่ถูกกับเรื่องของร่างกาย คุณอุบลครับวันพระเราไปวัดใส่บาตรอาหารหวานคาวไม่ได้อยู่ฟังพระรับศีลต้องกลับไปทํางานต่อจะบาปจะได้บุญใหม่เจ้าคะได้บุญในส่วนที่เราใส่บาตรได้ทานแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็ไม่เราก็ไม่ได้บุญในส่วนนี้ถ้าเรารับศีลรับแล้วก็ต้องไปรักษาด้วยนะไม่ใช่รับแล้วไม่ไปรักษารับเฉยเฉยนี่ไม่ถึงยังไม่ถือว่าได้บุญท่านพระให้ศีลห้าเราก็รับ เพราะเราออกจากว่าเราก็ทิ้งไม่ที่หน้าวัอย่างนี้ก็ไม่ได้น่นนั้นต้องไปรักษาเช่นตอนเย็นใครมาชวนมาเดือดร้ายก็ไม่ไปไม่เดือดร้ายไม่บาปแต่ไม่ได้บุญคุณกลางร่มครับคนที่เลิกทานเนื้อสัตว์แล้วมีทัศนคติว่าคนที่ยังกินเนื้ออยู่เพราะยังโง่ อ, อยู่ยังชั่วยอยู่แบบนี้แสดงว่ายังไม่พ้นโลกธรรมแปดใช่หรือไม่คะ ก็เขาก็ยังหลงอยู่เขาคิดว่าตัวคนาดีกวคนเห็นนะตอนนี้เขาไม่กินเนื้อนะเขาฉลาดนะเขาไม่รู้ว่าฉลาดตรงไหนเพราะพวกวัวควายมันก็ไม่กินเนื้อมันฉลาดหรือเปล่าพวกวัวควายมันกินแต่หญ้าใช่ไหมแล้วมันฉลาดไหยพวกที่ไม่กินเนื้อสัตว์นั่นจริคุณพีโกครับอุทิศบุญผู้รับได้บุญถ้ามีคนอุทิศบาปผู้รับจะได้บาปไหมครับ ไม่ได้หรอกเพราะบาปของทิ้งไม่ได้ไม่มีใครรับเลยถึงแม้คุณทิ้งไปเขาก็ไม่รับเหมือนคุณให้ขยะใครเขาจะรับขยะของคุณไหมเขาไม่รับหรอกแต่ถ้าคุณให้เงินทองเ้าก็จะรับนะเขารับทันทีก็แบบเดียวกันนะคุณจ็กเกอร์ครับแม่ผมสอบถามพระอาจารย์ครับคือฝันเห็น ก, กบบ่อยๆหมายความว่าอย่างไรครับ ไม่ผูกเป็นการเราไม่เป็นคนทำนายนท่านเรื่องความฟันอาจจะชอบกบก็ได้มั้งคือถึงกบบ่อยๆมันก็เลยฟันถึงกบมีความผูกพันกับเรื่องของกบคุณเข็มจิราครับขอความเมตตาค่ะอดีตสามีตัดสินใจบวชพระดิฉันจึงรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูบุตรภายในใจก็คิดว่านี่คือกรรมของตัวเองและดีใจที่จะไม่ได้ข้องเกี่ยวใดๆอีกยินดีโมทนาบุญกับพระ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดเช่นนี้จะเป็นการปรามาย์พระและอุเป็นอกุศลกรรมต่อตัวเองไหมคะไม่หนอะก็คุณก็นุโมูทนาเขาแล้วดีกับการปฏิบัติของเขาแล้วก็คิดตามหลักความเป็นจริงก็ดีแล้วไม่ได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันเวลาเกี่ยวข้องกันมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ด้วยมันไม่ใช่มันจะไม่ได้แต่สุขอย่างเดียวถ้าไม่เกี่ยวข้องกันแล้ะมันก็จบไ ป, มบไปหมดปัญหาไปเปล่าเนีย คุณตายครับดิฉันอยากทราบว่าถ้าเราถวายบุญหรือยกบุญให้คนอื่นและดวงจิตทั้งหลายบุญของเรามีวันหมดไหมเจ้าคะคือบุญที่เราอุทิศนี่เราหมืนเราอุทิศไปไม่ได้หมดบุทิศได้เพียงเสี้ยวเดียวเลยแล้บุญอุที่นี้ท่านเปี่ยนมาว่าน้ําที่ตกครั้างอยู่ในแก้วหลังจากที่เราเทน้ําออกนะบุญที่เราทํานี้เป็นเหมือนน้าในแก้วน้ําเต็มแก้ว บุญที่ที่นี้คือน้ําที่ตกค้างอยู่ในะแก้วเวลาที่เราเดื่มน้ำหมดแก้วแล้วยังมีน้ําตกค้างอยู่อันนั้นแหะเป็นบุญที่เราอุทิศไปได้อุทิศได้เท่านั้นเองครับแต่บุญส่วนใหญ่นี้ยัไป็นของเราคุณอนุสอครับขอกาศรับกัศการรับกระแสนิพพานเข้าสู่จิตใจให้เข้าใจควรปฏิบัติเช่นไรเป็นแนวทางถูกต้องขอรับก็ปฏิบัติทานสิาา่งภาวนา ก็จะพายเรเข้าสู่กระแสนิพายทำบุญทำทานเสียชราบแบกปันยาวเงินทางไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยของหลูหราของที่เป็นเหมือนยาเสพติดทางจิตใจหรือไปซื้อกับของบันเทิงต่างๆอะไรต่างๆอันนี้เอาเงินลันี้ไปทำบุญดีกว่าแล้วก็รักษาสิห้าสิบแปดไปตามกำลังแล้เข้ไปฝึกไปปฏิบัติธรรมไปอยู่ฐานที่สมบสงัดิวิเวศเบ็กตัว นู่ขาวหวงขาวจัร์สตินั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมได้กัดปัญญาอันนี้อยากคือกระแสที่จะพายแล้วเข้าสู่พอนิพายอุญแต้มสีครับกุศลแตกต่างจากบุญตรงที่เป็นการทำความดีเพื่อลักกิเลส ข, ของตอนเองไม่หวังผลของบุญใช่ไหมครับคือถ้าแปลตามความความหมายของตวอัวอักษรบุญแปลว่าความสุขใจิีใจ คือส่วนคือความฉลาดคือปัญญาคุณรังสีครับกราบเรียนถามอาจารย์ครับเราจะทราบว่าอย่างไรผู้ที่เราบอกทําให้ไปเขาจะไม่ปลามาทำครับก็อยู่ที่ว่าเขายินดีที่จะรับทำทำเราหรือเปล่าถ้าก็ไม่ยินดีก็อย่าไปบอกเขาบอกเขาแล้วเขาก็อาจจะไปปลามาไดนะ้เพราะเขาอาจจะ ไม่มีศรัทธาในตัวเราก็ได้งั้นทางที่ดีก็คือให้เข้ามาทเขาทำมากจากเราก่อนแล้วเราขอให้เขาจะดีกว่าทาก็ไม่มาขอเราเราเออกไปให้เขาไปยัดเยีให้เขาเขาก็จะนับเกยียติได้คุณพัทธิระครับ ขอาการถามครับผมนั่งสมาธิแล้วเหมือนแสงสีทองคล้ายกระแสายไฟฟ้าวิ่งผ่านไปตามตัวขณะนั้นไม่ได้ยินเสียงเพราะอีกสักครู่ถึงได้ยินเสียงครับหลังจากนั้นรู้สึกใจนิ่งมากโดยไม่ต้องบังคับเลยอยากทราบว่าที่ผมนั่งเป็นอย่างไรครับขอโอกาสแนะนําครับการใจนิ่งก็ใช้ได้ส่วนี้นปรากฏการณ์อะไก็เถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่เราไม่กดไปให้ความสาคัญเป้าหมายของการนั่งก็เพื่อให้ใจนิ่งใ ห, ให้มีความสงมบ ถ้ายังไม่นิ่งไม่สงบก็ต้องนั่งต่อไปดูลมต่อไปพูดโทต่อไปคุณแต้มสีครับอรูปฌานเป็นสมาธิที่มีลักษณะแบบไหนครับมีพระเคยสอนว่าไม่ใช่สัมมาสมาธิและต้องเสี่ยงสัมผัสกับวิญญาณที่อยู่นอกอาวากาศค่ะไม่ใช่หรอกมันเนคามสงบที่สงบมากกว่าขั้นรูปฌานความสงบของใานี้มีอยู่แปดแปแปดชั้นด้วยกัน ชั้นหนึ่งถึงสี่เรยว่ารูปประชานลลเราเหอียกรูปประชานเขาเรวยกรูปประชานคุณก้องครับบอกให้แม่เปลี่ยนจากเอาดอกไม้ถวายพระพุทธรูปเททุกวันพระเป็นไปซื้อของทาบุญแทนอย่างนี้ช่วยคุณแม่ทำได้ถูกทางปฏิบัติหรือไม่ขอรับก็บอกไ่้แต่ท่านจะทำไม่ทำก็เป็นเรื่องของท่านอย่าไปบังคับท่านอย่าต้องทะเลาะกันก็ได้ คุณกตาปุญโยครับการเพ่งกายให้เน่าตลอดเวลาต้องทําอย่างไรครับผมถ้าเรือ ง, งถึงเวลาที่ร่างการเราเป็นซากศพนะแล้วร่างกายเราเราซากศพที่ไม่เฉยเฉไม่ไปไม่ไปทําอะไรยัยมันก็ขึ้นอืนมันก็ไปดูศพเก้าชนิดน้ำในในสติปัฏฐานสูตรก็มีแสดงว่าสมัยก่อนเวลาคนตายเขาก็เอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชาไว้ให้มันขึ้นอื่นให้มัน การเป็นอาหารของแรงกาไปคุณสมพรครับบุญผ้าป่าสามัคคีกับบุญใส่บาตรเป็นบุญเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับเหมือนการเดินทางเหมือนกันแต่มากน้อยต่างกันใส่บาตรก็ทําน้อยหน่อยนะถ้าเป็นผ้าป่านี่ก็ทํามากคือปริมาณงานที่ทํานต่างกันในใส่บาตรนี่เราก็ซื้ออาหารชุดหนึ่งร้อยสองร้อยก็ใส่ได้แล้ว นอกจากเราจะใส่บาตรท้าร้อยลูอย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องก็ได้ก็เป็นทานเหมือนกันท้าบาตรนี้ก็เป็นการถวายผ้าหมื่อไรก็ผ้าป่าตก็หมายถึงผ้าอ้าที่ผ้าอามาใช้นุ่ห่จีวรต่างๆเนี่เป็นผ้าบาแต่ก็มักจะมีบอริวารติดมาด้วยก็คือเงินทองเพราะว่านอกจากผ้าแล้วทาว่ามีค่าใช้จ่ายหรือต้องใช้เช่นค่าน้ําค่าไฟค่าบุญน้ำซ่อมแซมอะไรต่างๆจำเป็นจะต้องมี เขาก็เลยบริาจากเงนมาด้วยในกองภาาป่าแตก็เป็นทานเหมือนกันมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าทำมากหรือทำน้อยเท่นี้คุณบัวตูมครับเวลาเหนื่อยจากการทำงานแล้วชอบนอนเล่นโซเชียลดูรายการสนุกสนุกขี้เกียจสวดมนต์และไม่ฝึกเจิญสติจะแก้นิสัยอย่างไรครับก็ยู่โทรศัพท์ทิ้งไปเล ย, <c oughs> อ, ยอย่าไปมีมัน ใช้โทรศัพท์แบบที่ไม่ต้องมีเล่นโซเชียลไม่ได้มีแต่ใช้ใช้โทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวคุณสมคิดครับเคยได้ยินว่าการนั่งสมาธิถ้าไม่มีครูอาจารย์อาจจะเป็นบ้าได้ถ้าหลงติดอยู่ในสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นจริงไหมเจ้าคะอยากนั่งสมาธิแต่กลัวเป็นอย่างที่เขากล่าวครับก็เป็นไปได้ถ้าไม่ไม่รู้เรื่องการนั่งสมาธิเลยว่านั่งเพื่ออะไรนั่งจะเจออะไรบ้าง ถ้าไม่มีใครสอนแล้วนั่งไปแล้วเกิดจิตผลิตอะไรปล่ อ, อกดขึ้นมาก็จะคิดเป็นนุ่งเป็นนี่ไปได้กายเป็นคนบ้าได้แต่ถ้ามีการศึกษามีครูอาจารย์คอยตอบคําถามมันก็เป็นไปได้ยาที่จะไปเป็นบ้านอกจากนอกจากดือกก้อไม่ยอกฟังคําสั่งคําสอนไม่ยอมเชื่อนะครับในเรื่องที่ได้มาศึกษาชาวไปคิดเป็นในแนวทางของตัวเองนี่ก็จะอาจทำให้เป็นบ้านได้ คุณนาวาครับขยายเพิ่มเติมจากที่ถามไปเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์ว่าที่เกรงใจผู้อื่นจนเบียดเบียนตัวเองอย่างเช่นว่าเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดคนรู้จักจะฝากซื้อนู่นนั่นนี่ไม่กล้าปฏิเสธเลยเป็นว่าแทนที่จะไปแบบสบายใจกลับต้องกังวลเรื่องซื้อของสนองกิเลสที่เขาอยากได้กันอย่างนี้คือความเมตตาเสียสละหรือกิเลสความกลัวเขาจะไม่รักไม่พอใจคะว่าล้วแต่เราว่าเราเราต้องการจะทํา จะเป็เมตตาไหมถ้าเราอยากจะมีความเมตตาเราก็ต้องเราก็ต้องยอมต้องยอมเสียสละความสบายของเราไปแต่ถ้าเราอยากต้องการความสบายเราก็อยากไปมีเมตตาก็เท<อ>่านั้นเองถ้าเราอยากจะสบายันนี้ก็เป็นกิเลสของเรานอะมันอยากจะสบายความอยากสบายอยากจะมีความสุขจากการไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าเราอยากจะ มีความเมตตาด้วยเราก็ต้องยอมเสียสละความสบายไปบ้างและเราก็จะได้ทำทำสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ให้กับผู้อื่นมันก็จะเป็นความเมตตาเป็นมิตในคนส่วนใหญ่คุณตะวันครับเวลารับสีรู้ตัวว่ารักษาได้ไม่ครบห้าคือข้อปานาเราไม่รับถือว่าเราผิดสีไหมครับอไม่ไม่ไมไมหรอกก็เราไม่รับข้อไหนไม่ได้เราก็อย่าเพิ่งไปไปรับประจาทํา สมาทานในในข้อที่เราคิดว่าเรารักษาได้ข้อที่เรารู้ว่าเรารักษาไม่ได้ก็อย่าไปสมาทานอย่าไปรับคําถามนี้คล้ายๆเมื่อสักครู่เลยครับอาจารย์แต่คนละคนนะครับขอโอกาสครับผมการเพ่งกายให้เน่าตลอดเวลาต้องทําอย่างไรครับก็คิดอยู่เรื่อยๆมีแต่ความเน่าของร่างกายเรืไปดูทราบสดที่คน ที่ตอนนั้นมีสุนามิใช่ไหมที่ภูเก็ตนะเอามีถ่ายรูปมาคนนอนขึ้นอื่นกันเยอะแยะไปเลยก็าภาพแบบนั้นมันมน่าคิดอยู่เรื่อยๆก็ได้อุณสมพรครับเวลาตัดบาทจะมีญาติโยมถวายใส่ดอกไม้แก่พระสงฆ์ด้วยอยากทราบว่าการถวายดอกไม้เช่นดอกดาวเรืองดอกมะลิจะได้บุญอย่างไรครับดอกไม้ก็เป็นเครื่องสักการะคนที่ถวายก็ ต้องเสียสละเงินท่าไปซื้อมาก็าเป็นการถวายวัตถุทานอย่างหนึ่งนอกจากอาหารที่ออกมาใช้รับประทานแล้วพระสมงฆ์ก็จะเล่าดอกไม้นี้ไปบูชาพระพุทธรูกที่มีอยู่ในวัดต่อไปท่านนี้น่าจะเป็นพระครับอาจารย์บอกว่าที่วัดรับพระตลอดไหมครับเพื่อมีโอกาสไปพักภาวนากับพ่อแม่ครูอาจารย์ครับอันนี้ต้องไปกราบเจ้ า, าอาวาสเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ทําหน้าที่นี้ต่อไม่ได้ ที่บ้านท่ก็ถามพระว่าพระเจ้าว่าดอยู่ที่ไหนก็ไปไปกราบท่านแล้วก็ไปขอขอขอขออนุ ญ, ญาตก็ขึ้นอยู่ที่ท่านจะพิจารนณะาเมื่อท่านจะรับหรนะือไม่ครับคุณปฐมพงศ์ครับเมตตากับปัญญาอย่างไหนเป็นธรรมสําคัญกว่ากันผู้มีปัญญามากจะเกิดความเมตตาเองได้หรือไม่ครับผู้มีเมตตามากจะเกิดปัญญาได้เองหรือไม่ครับมันเป็นธรรมที่สําคัญทั้งคู่ เต้องพยายามเจริญมันท้งสองสองอย่างมันไม่ได้มาล้วาว่ามีเมตตาเราจะมีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะมีเมตตาคุณสีลักษ์ครับอาณาปานาสติในฌานสี่ลมหายใจขาดไปเป็นรูปฌานหรือเปล่าครับไม่หรอกคื อ, อรูปฌานนี้มันต้องผ่าน ชาติก่อนแล้วมันถึงจะสามารถเข้าสู่รุ่นประชานได้คุณกุณลาบครับถ้าเราหมั่นทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆและรักษาสีและสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งหมดนี้แล้วไม่ต้องไปสนใจกับพิธีกรรมต่างๆเลยใช่ไหมเจ้าคะกระบขอบความเมตตาครับคือการปฏิบัติธรรมนี้มันไม่มีพิธีกรรมมาเกี่ยวข้องเลย แต่ว่าบงทีพิธีกรรมมหนก็เข้ามาเพื่อทําให้มันดูว่ามันมีสีสันหน่อยเป็นการรักษาศีลนี่บางทีไม่ต้องไปสมาทานศีลกับพระเป็นพิธีกรรมอย่างนี้ซึ่งความตริงนะการถือศีลนี้ไม่ต้องไปสมาทานกับพระก็ได้สมาทานกับตัวเราเองเลยถ้าเรารู้ว่าศีลถ้ามีอะไรแล้วเราก็บอกกับตัวว่าตอนนี้เราจะรักษาศีลข้อเหล่านี้มันก็ก็ถือว่าได้สมาทาน นี้แต่บางทีศาสนาบางทีคนก็อยากจะให้มันมีสีสันก็เลยสร้างพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาถวายทานก็ต้องมีการกล่าวคําถวายก่อนเลยรทำาบบนี้จริงๆไม่ต้องกล่าวเคาไปถวยก็ถวายไปเลยมันก็เหมือนกันนะใส่บาตรบางคนก่อนเลือดตันเข้าใส่บาตรนั่นมันท่องหน้โม่หรือวพ่อยืนรอเป็นสองทั้งหรือก่ก่อนก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของการเติมสีสันให้กับพฤติกรรม การทำบุญไปแต่ตัวทำบุญจริงๆไม่มีไม่มีมมพฤติไม่มีพฤติกรรมต่างๆเลยเอาแต่เนื้อมันนวลๆรักษาสิ่งก็รักษาไปภาวนานก็ภาวนานไปเลยแล้วสมสตินั่งสมาธิรรไปเลยไม่ต้องมีพฤติกรรมมาก่อนจะนั่งสารร ม, ม า, สาธิต้องมีการสวดรุ่นส่วนนี่ก่อเชิญเทวดามาก่อนด้วยมันไม่มีหรอก <Okay. S 1> ไม่จำเป็น คุณสมคิดครับถ้าอยากจะนิพานในชาตินี้ต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะ่ะเราปฏิบัติอย่างนั่งบวชอยู่แบบนั่งบวชปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตลอดเวลาคุณสมพรครับจะปฏิบัติเมตตาให้มีมากต้องทําอย่างไรครับทําให้ม า, ากเลยทํางินมาจจกบารวยก็จะเป็นเมตตามากครับคุณสมคิดครับ ได้อุทิศร่างกายและบริจาคอวัยวะไว้แต่เราไม่รู้ว่าเราตายในสภาพไหนเราจะตั้งอธิษฐานขอให้เราตายแล้วร่างกายนําไปใช้ประโยชน์อย่างที่เราอุทิศไว้ได้ไหมเจ้าคะคือเวลาตายแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาจเอาร่างกายเราไปทําอะไรเพราะงั้นจะไม่ได้บุญเลยไม่ได้ประโยชน์เลยทางด้านจิตใจกับการบริจาคร่างกายหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าอยากจะให้ได้รับประโยชน์ทางด้านจิตใจต้องทาตอนที่เรายังไม่ตาย จิตใจเรารับรู้ได้ว่าตอนนี้เราไปจากตาไปข้างหนั้าไปจากใจไปข้างหน้านะอย่างนี้มันจะมีผลต่อจิตใจโ ด, โดยโดยตรงเล ย, ย, ย, ยมันจะทำให้ใจเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่ได้เห็นคนที่เขาได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเราทําไมบางคนดูเป็นผู้ใหญ่ดูมีวุฒิภาวะแต่โยมจะเป็นเด็กๆไม่มีความเป็นผู้ใหญ่จะต้องแก้ไขยอย่างไรไหมครับ มันก็เป็นเรื่องของจิตใจว่ามีคุณธรรมมากน้อยเพียงไรถ้ามีคุณมีคุณธรรมมากก็จะเป็นผู้ใหญ่มากมีคุณธรรมน้อยก็จะเป็นผู้ใหญ่น้อยอาจารย์ครับถึงตรงนี้คําถามหมดแล้วครับอาจารย์ยยก็พอในเวลาอาจารย์จะหมดพอหรมีอะไรอาจารย์จะมาหรือถามอะไรก็ถา ม, ม น, นี่หรือยังไม่มีแล้วครับ <laughs> อาจจะไปไหนกันเราถามในพรุ่งนี้วันมาฆาบูชามีมีมีเป้าหมายในเรื่องการมีการบูชาไหมในวันมาฆาบูชาเป็นการบูชาใหญ่แล้วบูชาแบบไหนอามิสบูชาหรือปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็ทําบุญใส่บาตปฏิบัติบูชาก็ไปอยู่วัดไปเซนในศัตว์ชีกในวันนี้ก็จะในสัตว์ชีกในวัด เําปฏิบัติทำทั้งทั้คืนจนถึงฟ้าก็เป็นวิธีบูชาสองแบบด้วยกันนอกจากครู่ตอนเปิดรายการก็ได้ถามครับมีหลายคนก็บอกว่าจะไปใส่บาตรจะไปทำบุญมีหลายคนบอกจะไปฟังธรรมอาจารย์ไยครับพรุ่งนี้ครับจะไปกราบอาจารย์ครับอาจารย์ครับข <c oughs> อกราบครั บ, อ บ, อรบวันนี้มีเพื่อนๆที่ฟังธรรมอยู่ในเฟซบุ๊กห้าร้อยเจ็ดสิบสองคนครับ ใน y o u t u เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าคนครับละข่เวพาวสิบกคนวันนี้มีเพื่อนเพื่อมาฟังทำกันหนึ่งพันสามร้ยสี่สิบกคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่มีโอกาสสนใจในธรรมในหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมนี้ก็นํามาปฏิบัติให้เกิดผมต่อไปการแสดงธรรมการสอนธรรมในคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทุกอามาสิ่งที่ท่านได้รูได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทา่ยิยมขึ้นไปเธอสาธุาขอรอ ล, ลาคุณหมอแนละท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเวลาขัดคล้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเวลาเดิมเช่นเคยขอจเจริญพรขอบคุณมรอาจารย์ครับ